เออเข้ามาแล้วคุณแป้นคุณแป้นคุณแป้แปสนสบาดีนะพุงพ่งนี้จะขึ้นไปปฏิบัติที่เขาชีโอนเจ้าค่ะอ่ไปกี่วันนะ3ามวันเจ้าค่ะก็เลยแบบลองดูไม่นี่คือปีนี้เพิ่งไปครั้งแรกเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงเอาใหม่ออไม่เปไร่ดีสาธุนะพยายามปฏิบัติไปนะค่ะต้องทำ เขาเลยทำให้เราไม่ได้ค่ะเดี๋ยก็ได้เองจะพยายามใช่่ะจะไปไหว้นะครับถ้าไม่ไหว้ก็ไม่ไม่หันมันก็ไม่เป็นเรางไหว้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นเองคะความชํานาญเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอันนี้อยู่เทปเลย อออยู่อยู่พัทยาแล้วค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเนี่ยเข้าไปที่บนบนเขาชีโอนเลยค่ะก็เลยมาเตรียมตัวที่พัทยาเนี่ยค่ะเตรียมตัวพรุ่งนี้ไปใส่บาตรพรุ่งนี้ไปใส่บาตรแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้าเข้าปฏิบัติเลยค่ะดีดีฮะคืออ่านแ้วะเดี๋ยวลอาคุยกับท่านต่อไปคุณพระพระพะพระศาสนาเลยศาสนาศาสนา เชิญเปิดไมโครโฟนก่อนเปิดนะการข่ะท่านอาเป็นยังไงบ้างอาทิตย์นี้ดีไหมอ า, อาทิตย์นี้จริงๆแล้วเอหมือนกับว่าการเจริญก้าวหน้าดีขึ้นมากเลยนะคะท่านคื อ, อก็จะก็ถือศีลมาสองครั้งแล้วเพราะว่าเป็นวันพระมาสองรอบใช่ไหมคะมก็ตอนเช้าเนี่ยนั่งได้เป็นชั่วโมงเลยค่ะท่านตอนแรกเนี่ยนั่งครึ่งชั่วโมงก็จะมีอาการแบบปวดขาพยายามไม่คิดมันก็ปวดปวดแต่ว่าช่วงสองช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคะ่ะ นั่งชั่วโมงหนึ่งอะ่ะแล้วก็พอพอเสร็จแล้วเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีอาการปวดขาค่ะท่านคือพอออกจากสมาธิก็รู้สึกโอเคมากเลยค่ะก็นั่งได้ชั่วโมงหนึงตอนเช้าแล้วก็ตอนช่วงบ่ายก็ท่านเองอยู่ใช่ไหมคะอยู่อยู่อยูโอ่โอเคค่ะก็ เราช่วงช่ ง, ชงบ่ายก็ฟังท่านก็นั่งได้เป็นชั่วโมงเหมือนเดิมก็คือว่าสมัยก่อนฟังท่านเนี่ยก็ต้องขยับบ้างอะแต่ตอนนี้ก็คือนั่งแล้วก็มีเกิดปิติได้สองครั้งเลยค่ะตอนที่ท่านเทเรื่องโลกุตละธรรมกับโรกยะธรรมแล้วก็วันนี้ที่บาลมีสิก็รู้สึกมันสงบสงบเยอะมากแล้วก็ตอนช่วงเย็นช่วงเย็นอาจจะได้น้อยหน่อยได้ครึ่งชั่วโมงก็นั่งก็นั่งสมสาธิ3าเวลาแล้วก็สติแต่สติเนี่ยยังไม่ได้ทั้งวันอนะท่านคือแบบ ไม่ได้ฟุ้งซ่านนะคะแต่ว่าบางทีก็ยั ง, ยงลืมดูอริยบทบ้างคือตัวเองจะใช้เป็นกายกายยคตาสติกับเ อ, อเป็นเป็นกายคตาสติแล้วก็เวลานั่งสมาธิก็จะใช้เป็นอาณาปานาสติคือสติเนี่ยมันยังไม่ทั้งวันค่ะท่านก็คือว่ายังยังมีแว็บแต่ว่าบางทีแว็บเนี่ยมันแว็บไปทำมานะท่านคือแวบ็บนึกถึงสติประฐานสูตรที่ตัวเองท่องอ่ะก็เว็บนึกถึงอ่ะจะก็กลับมาดูกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ อถ้าทางทางโลกก็รู้สึกว่ามันมีสิ่งดีๆเยอะอะแล้วก็รู้สึกสงบค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ลูกชายอ่ะเขาไปเข้ากรมใช่ไหมท่านคือนี้ปีสองปกติจะต้องคิดถึงเยอะเลยตอนนี้ไม่คิดถึงอะก็คือรู้สึกว่าเออโอเคแล้วก็อาจารย์ของเขาอ่ะก็ไลน์มาคุยะอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีมากเลยค่ะท่านอแสดงว่าจิตเราสงบจิตเราปลอบวางไม่ไปยืดไปติดคะ่ะ เวลานั่งสมาธิไม่ต้องกลัวเจ็บนะอย่าไปหนีเจ็บคว <Okay. S 1> าเจ็บมันก็จะได้เป็นเป็นการทดสอบสติเร <Okay. S 1> าพอใช้สติมากเวลาเจ็บก็ต้องพย า, ยาพุโทโธพุโทโธพุโทโธ <Okay. S 1> ถ้ามันมีสติอยู่เดี๋ยวความเจ็บมันจะไม่มารบกวนใจเพราะใจไม่ไปยุ่งกับมนนันเวลานั่งไม่ต้องไปกลัวบางทีสติดีๆมันก็ไม่เจอความเจ็บมัน มั น, มนช่วงหลังไม่เจอเลยค่ะท่านส อ, สองวันสองสาวันหลักเนี่ยคือมันผ่านไปได้โดยที่ไม่เจ็บคือสมัยก่อนเนี่ยเจ็บแต่ตอนเนี้ยพอถือจริงๆ ร, ร, รู้สึกว่าถือโบสวดสีเนี่ยมันคือจริงๆแล้วช่วยเยอะเหมือนกันนะคะท่านคือมันทําให้เราเหมือนกับแบบมันรวมได้ง่ายขึ้นนะคะท่านก็จะพยายามตั้งใจทั้งศีลทั้สติช่วยสนับสนุนสมาธิค่ะอันดี มีอะจะถามไหมวันนี้วันนี้ไม่มีก็คือหน้าที่คือจะทําให้ทั้งวันก่อนเพราะว่าท่านบอกว่าให้ไปทําสติกับสมาธิให้เข้าอัปนาสมาธิได้ได้เยอะๆก่อนแล้วถึงจะทําขั้นต่อไปก็พยายามตั้งใจจาทำหน้าที่ของตัวเองตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยว<ม>วันอาทิตย์นี้ก็จะไปไปไปพบท่านไปเดือนหนึงจะไปสองครั้งค่ะท่านจะพาคุณพ่อไปด้วยแล้วก็ถื อ, อบวชศีลทุกวันพระแล้วก็เดือนหน้านะคะอันนี้ก็คือจะอาทิตย์ฐานเนื่คือเดือนหน้าถ้าเป็นเดือนหน้าปุ๊บก็จะตั้งเป็นสองวันและ้ะถือศีลแปดเพิ่มเป็นนอาทิตย์วั ตอนนี้เป็นเดือนละสี่ครั้งใช่ไหมเดือนหน้าก็จะเป็นแปดครั้งจะค่อยๆเพิ่มปริศต์ปรูปริศติขึ้นนีเดี๋ยวแ้วขยันเดี๋ยวแล้วก้าวหน้าก้าหน้าคือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะทํามาเองตั้งนานแล้วไม่มีมันคือแบบท่านเมตตามากเลยอ่ะคือท่านท่านแบบมาสอนนะเพราะว่าตัวเองก็ตอนคือแม่พาไปนั่งอ่ะก็อ่านหนังสือแล้วก็นั่งมันก็นั่งไปมันก็ไม่ค่อยรู้ มันก็ไม่ค่อยเข้าใจนะท่านก็เราก็ฝืนนั่งไปบางทีพระไตรปิฎกนะท่านอ่านทั้งเล่มเลยแต่ไม่รู้เรื่องอ่านภาษาบาลีแบบคือแบบขยันเนี่ยอ่านแต่ว่าตอพอฟังท่านเทศปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเลยว่าเออมาเลงลาดับยังไงอย่างเราเรามีสิทวันนี้เข้าใจหรือว่าเออพอสีข้ออธิษฐานสัจจะวิริยะขันติมันําให้เกิดมันทําให้เราทําเมตตาทานสิน่คือแบบท่านพูดได้ เข้าใจง่ายอ่ะแล้วก็มันดูง่ายอะมีกําลังใจในการทําคือพอทําไปแล้วรู้สึกว่าเออมันมีกําลังใจท่านแล้วมันก็เห็นผลค่ะมีเท่านี้นะวันนี้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวไปทำต่อไปวันอาทิตย์ไปหาค่ะอย่าถอยนะทำไปเรื่อยเขาไม่ถอยมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่เหตุการณ์ทำไปเรื่อยเดี๋ยวถ้ามันจําเป็นจะต้องพักบ้างก็พักได้ถ้ามันมีเหตุให้จําเป็นต้องพักก็พักไป มันไม่ใช่ว่าจะจะลุยได้ตลอดเวลาบางทีมันก็แต่ตอนนี้น่าจะน่าจะไม่มีเหตุอะไรแล้วน่าจะน่าจะทําได้เพราะว่าลูกก็ลูกคือแบบภาระอะไรลูกเลิกก็เข้ามหาวิทยาลัยแล้วอะไรเงี้ยก็คือเราตอกให้ลูกแค่ลูกจบอ่ะค่ะแล้วอยู่ปีสองเดี๋ยวีคบปีก็จบแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวขอไปที่ท่านต่อไปนะค่ะครับท่านองสามแปดสิบองสามเปิดไม่ได้ ได้ยินไหมคุณแปดสี่หกสามสามสามอคุณแปดสี่หกสามเอาเปิดลนะ เ, เปิดพูดได้ลนะอยู่ที่ไหนติดภาพซนะสัญญาณหลุดฮนะน <Yeah. S 1> ครับอาหลุดเดี๋ยวลงไปช่านต่อไปไม่ไม่มีใครเปิดภาพวันเลยวันนี้อ่ามาละฮะเด็ฮแปดสีนะ่หกสามสามสาม เชิอยู่ที่ไหนเพิ่งเข้ามาครั้งแรกมาชมหลวงพ่อครั้งแรกฟังหลวงพ่อครั้งแรกเลยค่ะอ่าดียินดีต้อนรับ่าพอดีพอดีเข้ามาฟังเฉยๆไม่มีอะไรไม่ไม่รู้จะสนท น, นาอะไรนะคะหลวงพอ่ออยู่ที่ไหนอยู่เทมเหรออที่โคราชค่ะโคราชเป็นยังไงตอนนี้โคราชฝนตกหรือเปล่าฝนฝนฝนยังไม่ตกค่ะหลวงพ่อ ไมกตกนะอ่าค่ะเดออากาศเริ่มเย็นแล้วยัง เ, เย็นแล้วค่ะเย็นแล้วนะค่ะอยู่อยู่สี่คิ้วนะค่ะใกล้ใกล้ภูเขาอากาศเริ่ ม, เ ร, มเริ่มสบายเข้ามานด้ทางไหนเข้ามาเข้ามาได้ไไดยัง ไ, ห<น>ไงนหนูหนูเ ป, นเป็นเป็นเพื่อนในเฟซกับหลวงพ่อนะคะ่ะอ๋อในเฟซค่ะพอมีโจทก็จะแจ้งให้ทราบอย่างนี้เลย ค่ะพอดีหนูเข้ามาพอดีมาเจอพอดีหนูก็เลยลองเข้ามาค่ะหลวงพอ่อยากไหมต้องต้องลงโปรแกรมนึกก่อนปะ่ะเรื่องมีอยู่แล้วโปรแกรมมีอยู่แล้วค่ะสมัยตอนนั้นลูกปิดช่องโควิดน่ะคะ่ะได้เรียนออนไลน์ อ, นนออนไลน์อยู่ค่ะนั่นลูกสาวเลยค่ะลูกลูกสองคนก็ ก, ก็จะสวดมนต์ทุกวันนะคะไม่ไ ม, ม่ะ ม, มีมีลูกสคนค่ะสอ<ร>ะ<ห>นสอวดมนต์วางจุมไหว้พักก่อนนอนทุกวนันสวดมหาจตรุรมักได้ค่ะสอนให้แผ่เมตตาสภภภัพเพสัตตาค่ะพาพาพาแผ่เมตตาพาสวดมนต์ทุกวนันเลยค่ะหลวงพออ่อถ้าเราสอนเขาเข้ามาทําได้ต่อไปเขาก็จะได้มีที่พึ่งทางใจค่ะค่ะหวังหวังอย่างนั้นนหะค่ะหลวงพ่อพาเข้าทางธรรมะเอาธรรมะอบรมจิตใจจิตใจจะได้เราไม่รู้ว่า อนาคตข้างหน้าจะเป็น ย, ยังไงเลยฝึกฝูกฝังให้ตั้งแต่เด็กๆนะคะหลวงพ่อทำนี้เป็นสาธารณะที่แท้จริงที่พึ่งทำใจที่แท้จริงค่ะโอเคค่ ะ, ะไปท่านต่อไปนะค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อนวัส ก, การ ค, ค่ะคุณสเลนทอวันนี้เข้ามาเร็วนะสเลนทอนเมืาาอ่อไดียม เวลามันเปลี่ยนอะค่ะรพระอาจารย์เวลามันเปลี่ยนค่ะพระอาจารย์แล้วก็ยมรีบมาก่อนเพราเดียวยมต้องแวะไปทำงานกับพระอาจารย์กับวาชการพระอาจารย์ค่ะยมยมอยากจะกลับเข้ามาครับพี่เบอร์เดย์บิเลตเบอร์เดย์ครัพระอาจารย์ยมยังไม่ได้คุยกับพระอาจารย์ตั้งแต่ตอนนั้นก็ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงตลอดไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้ คงปฏิบัติทำตลอดไปนะคะพระอาจารย์สาธุค่ะค่ะพระอาจารย์คือโยมเวลาปกติเวลายมนั่งสมาธิอะค่ะโยมจะมีเวทนามากๆอะค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยต้องนั่งแบบที่มีพนักพิงข้างหลังอะค่ะการปฏิบัติแบบนี้นี่มันไม่ควรไหมคะพระอาจารย์ดีตรงที่มันสบายกันนั้นจะได้นั่งได้ไม่ดีตรงที่ว่า มันจะไปติแล้วต่อไปเวลานั่งแบบเวลาเจอความเจ็บมันจะไม่รู้จักวิธีสู้กับมันค่ะถ้าเรานั่งแล้วเจอความเจ็บแล้วเราใช้สติสู้กับมันต่อไปเราก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวเรื่องความเจ็บอย่าไปกลัวความเจ็บอย่างเมื่อกี้บอกคุณพาฒนานั่งสมาธิไม่ช้าก็เลยมันก็ต้องเจ็บถ้าเปนเจ็บเราก็ต้องนั่งให้มันเจ็บต่อไปเพราะเราความเจ็บนี่มันเป็นข้อสอบของเรา ถ้าเราสู้กความเจ็บได้ต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องกินยาแก้ป่วยก็ได้ไม่ต้องรักษาออยู่เฉยค่ะค่ะมันหายก็หายถ้ามัหายก็ตายเท่านั้นนะที่เดียวใช่แต่ยังรู้สึกว่าไปโรงพยาบาลให้หมอฉีดหมอผ่าหมอตัดเือส่วนหนึ่งร่างกายมันเป็นแล้วมันมันมันมันปรับตัวมันเองได้ร่างกายบานทีเราไปทำอะไรมัน มันแสลงต่อร่างกายและร่างกายมันก็ขับหรือจัดการอาไรสิ่งที่ไปทําให้แสลงนี้หมดไปมันก็หายเองไม่ต้องทำอะไรส่วนใหญ่เขาจะปรับพวกเขาเองใช่ไหมครับอาจารย์งั้นเราจะได้ปิดส่วนมันจะปรับตัวของมันเองได้เราไปกินยาอาแทนที่จะดีมันกลับมีผลกับมีผลกับท็อปิกยาที่เรากินเป็นพิษอีกแล้วนั้นเราไปติดยาเมืวยคนติดยาแก้ปวดที่อเมริกามันจนกลายเป็นยาเสพติดไป ออืทำให้คนจิตใจ air, mm hmm. อ่อนแอก็เจ็บความเจ็บหน่อยทนไม่ได้รีบหายยาดี mm hmm. คนอเมริกาชอบกินยาเวลาเจ็บกายบ้างเจ็บทางใจบ้างกินยาอย่างนี้เศร้ากินยาให้มันให้มันเตือนให้มั น, น, มนชอพอมันพอมันฟุ้งก็กินยาให้มันง่วงให้มันมันก็ ไปไปอาศัยยามันเลยติดยาอืแล้วพอไม่มีแล้วต้องกินเพิ่มมากขึ้น เ, เ<ช><า>รื่อยๆงั้นมามาฝึกจิต ด, ดีกว่าฝึกสติกันดีกว่าใช้สติสู้ความเจ็บทั้งทางกายทั้งทางใจได้ทั้งสองอย่างถ้าสมมติว่าเราไม่ไหวเนี่ยเราเป็นเดินจงกรมไปก่อ น, น, นดีไหมคร่บถ้าเราทู่ไม่ไหวก็ลุกไปเดิน่แต่วันใดวั<า>นหนึ่งเราต้องผ่านมันให้ได้ อยู่ไปถ้มันยอมแพ้มันถอยไปเองให้มันถอยไปเราอย่าถอยเรากูไม่ถอยกูควเราเนี้ยมึงจะอยู่ก็อยู่ไปมึงก็จะอยู่ก็มันจมาถึงเวลาจริงๆแล้วเราก็จะมันก็จะเจ็บปวดเวลาท่านนั่งเฉยนั่งเฉยไม่นั่งท่องอะไรนั่งพูดโทรพท์พูดโทรตัพทีีโซอะไรไปหรือโทรศัพ กวเล่นปั่นน้าเนื้อเองกระดูกเยื่อ น, นกระดูกมากหัวใจตับต้องฝืนตายปอดให้ใจมันมีอะไรทำพ mm hmm. อจะเรื่องที่ถึงความเจ็บความเจ็บม <Ha. S 1> ันไมเข้ามาในใจมันอยู่ที่ร่างกายใจเราไปดึงมันเข้ามาเองพอไปรับรู้ ว, ว่าร่างกายเจ็บก็เลยโอ้เอามาปรุงใหญ่เลยโอ้เจ็บเจ็บเจ็บต้องไปจับหาวิธีกําจัดมันนั่งก็ต้องลุกถ้าปวดทีก็ต้องคองน้ำ เวลาบางทีดูหนังเพลินเนี่ยปวดฉี่ก็ไม่รู้สึกเจ็บใช่ไหมนั่งดู ไ, <ม>ได้เนี่แหละจิตมันเป็นอย่างนี้บางทีเรื่องเล็ก ๆ, ๆ็กน้อยนมันก็ไปทําให้เป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นอมาแต่ถ้าไม่ไปสนใจมันมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยมันไม่ไม่ไม่มากระเทือนใจเราแล้วเราต้องมีสติคอยดึงใจไว้ไม่ให้ไปรับไปไปรับกับความเจ็บของร่างกายรับรู้ปั๊มแล้วก็หนึ่งกับ ยู่มันเจ็บไปให้ใช้สติให้จิตมันอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆ <c oughs> พอมันเฉยแล้วมันทีมันก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องกลัวเวลานั่ง ย, งยม ไ, ไนยแนวค่ะสั<ต>่ง<ต>พระจารย์แล้วเด็กโยมจะนัถใหม่ๆถ้าใหม่ๆยังยังทนไม่ไหวยังสติยังไม่มีกำลังก็นั่งพิงอะไราไปก่อนก็ได้แต่นั่งพิงมันก็มีโอกาสหลับได้สบาย <Weihn acht> ไม่หลับทําไม่หลับค่ะพระอาจารย์ยไม่หลับยมพยายามกาหนดไปเรื่อยๆเรื <but S 1> <episódio> ่อยๆเลยค่ะพระอาจารย์ม like well, ันจนความููสลับไป่พิงบ้างไม่นั่งพิงบ้างอะไรอย่าไปติดท้างนั่งพิง่ะพระอาจารย์าไม่ได้สอนให้หาที่พิงใชค่ะยมจะนาไปปฏิบัตินะคะพระอาจารย์กลบขอบพระคุณกับนอาจารย์ค่ะพระอาจารย์จะไปปฏิบัติที่ไหนเนี่ย เ อ, อเอาไปปฏิบัติที่บ้านเน่ยที่บ้านค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนนี้โยมยังทำงานที่บ้านอยู่ะค่ะโยมก็เช้าขึ้นมาโยมก็ปฏิบัติปฏิบัติพยายามไปได้ทั้งวันนะคะ่ะพยายามเวลาทำงานอยู่<ม>ตอนไหนมีสติคิดขึ้นมาได้ก็กำหนดพุทโธพุทโธตลอดเวลาคราวนี้มันก็อยู่คนตอนนี้อยู<ม>่ใช้คับพระอาจารย์<ม>ตอน น, <ม>นี้ถึงว่าอยู่วัดทำไมก็อยู่ใช่ค่ะพระที่โยมเคยบอกว่านี่เป็นนาทีทองของชีวิตโยมโยมก็พยายามจะปฏิบัติให้ได้มากที่สุดแล้วก็ พอเดี๋ยวเดี๋ยวพอทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโยมต้องกลับไปทํางานที่บริษัทหรือว่าเดี๋ยวลูกโยมกลับมายมก็มันก็ทําไม่ได้ดีอะค่ะอาจารย์ระ จ, จะไม่วิเวกเหมนอนนี้ยตาเ น, นี้วิเวกค่ะค่ะตอนนี้เวลาเราไม่อยากเรากินน้อยลงอะไรน้อยลงเราก็มีเวลามากขึ้นแล้วเวลาว่างใจก็จะคิดแต่ว่าใจคิดแต่ว่าอุ๊ยไม่ได้ละเดี๋ยวต้องปฏิบัติต่อสมมติเรานั่งดูอะไรสักพักนึง ไม่ได้ละเดี๋ยวต้องไปทําอีกนิดนึงก็ยังดีอ่ะค่ะก็จิตเริ่มตั้งมั่นมากขึ้นแล้วก็มีความอยากปฏิบัติอยู่เรื่อยๆอย่าค่ะพระอาจารย์ใช่ถูกอยากทำถูกค่ะค่ะพระอาจารย์ยมไม่ถูกค่ะยมาในงานเข้ามาถามได้นะค่ะพระอาจารย์กับพยายามจะเจอกันครั้งหน้าอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งค่ะเพราะว่าเวลายมเจอพระอาจารย์เรายมก็จะมีมีปิติอะค่ะแล้วมันมีกําลังใจในการปฏิบัติแล้วแล้วพระอาจารย์ พระอาจารย์ก็บอกแนวทางในการปฏิบัติแล้วยมก็รู้สึกว่ามันดีมากเลยทําให้ยมมีกําลังใจแล้วก็เร um าก็อยากทํามากขึ้นเรื่อยๆครับพะอาจารย์ดีจ้ะสาธุสาธุข้าพระอาจารย์กลับขอบคุณกลับนะคะค่ะอ๋อนอดิหลับก็เลยอ๋อดีอ่าแต่นะนะลังหลับตาฟังเลยจัดน้ำมัสกัดค่ะพระอาจารย์อ่ามีอะไรไหมวันนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาติดธุระเลยไม่ได้ไปไงอ่าถวายอะไรเลยด้วยเลยเแฮปปี้เบิร์ดเดย์หยอดหลังพระอาจารย์เช่นกันนะคะเห็นในเฟสบุ๊กค่ ะ, ะให้ท้าขันพระอาจารย์แข็งแรงนะคะอยู่เป็นที่พึ่งอของของอยูจกกนจกว่ามันจะไม่ยอมอยู่ไม่ยอมอยู่ลงไปอยู่เป็นที่พึ่งกันค่ะยังมีคนต้องการนางกายเป็นอนัสตาไม่ใช่เรา ไสั่มันไม้ได้มันอยากจะหยุดมันก็ห้ามมันไม่ได้คลองคิดถึงอยู่บ่อยๆร่างกายนี้เป็นอนัตตาตัวเรามันเป็นเหมือนรถยนต์ที่เราใช้ขับมะนดีมันดีมันก็สตารไม่ติดได้ยางแตกได้อะไรได้อยากไม่ตึงชอมได้ก็ซ่อมไปซ่อมไม่ได้ก็กไม่ไป ทั้งอยู่นานๆเลยคับพระอาจารย์นี่มไเลยไปไม่มีใครอยู่ยานานหรอกมันเกินร้อยปีสักกี่คนไม่มีใครเกินร้อยปีกันยังมีลูกศิษย์อีกเยอะที่ต้องการกำลังใจจากพระอาจารย์มีกรูบาจารย์เยอะแยะมีทุกมีรุ่นใหม่มาเรื่อยๆไม่ต้องกลัวหรอกพอรุ่นเก่าไปรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาแทนที่ยังมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะค่ะพระพุทธเจ้าไปพระสาวกแต่ละรุ่นก็ขึ้นมาทำหน้าที่แทนกันอยูเ่เลยต่อกัน ต้องมี<ห><ห>ยึดมันถ <นะ S 1> ือมันข อ, อให้เรากังวลตัวเรื่องตัวเราเองดีกว่าปฏิบัติไปถึงไหนแล้วช่วงนี้รู้สึกเหมือนเหมืนอนยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกอะค่ะแต่ว่าก็พยายามระลึกพยายามนึกพุทโธไว้พอมีสติก็พยายามระลึกพุโทโธแต่ว่าช่วงสองสามวันเนี้ยมีความรู้สึกเหมือนเหมือนมันนิ่งยังไงก็ไม่ทราบค่ะพระอาจารย์ปกติจะสวดแต่มันนิ่งได้ก็ดี อาจจะไม่มีเรื่องมุ่นมายอะไรนี่ช่วงมันไม่มีเรื่องอ๋อค่ะก็เนี่ยปล่อยวางหลายอย่างตามที่พระอาจารย์บอกผ่านผ่านจุดที่ว่าต้องตื่นใจตัวเองว่าเราต้องผ่านมันให้ได้ก็ตอนนี้ผ่านมาแล้วค่ะผ่านมาเรียบร้อยนี่ค่ะ ไม่ถามค่ะเดี๋ยววันพราไปฟังทำพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวไปสวดมนต์ขึ้นแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวสายทิพนะสายทิพอยู่ที่ไหนเป็นสายทิพยูุงเทพใช่ไหมได้อยู่กล่าวนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่สารคามค่ะสารคามสารคามค่ะเคยเข้ามาอยู่ไม่ไม่ไม่ไม่กี่ครั้งค่ะ เข้ามาฟังการะยานมิรท่านอื่นๆค่ะของของตัวเองก็ปฏิบัติยังไม่ค่อยเท่าไหร่นักค่ะแต่ว่าก็เจอสถานการณ์ที่เราแบบเหมือนเราไปช่วยคนอื่นช่วยพี่ช่วยน้องแล้วก็เขาไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราก็เลยมีความเสียใจอยู่พักหนึ่งค่ะอันนี้คือเป็นความรู้สึกแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอะเราน่าจะคาดหวังใครไม่ได้ปล่อยวางดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทาใจว่า เราช่วยก็ช่วยไปเหมือนเดิมค่ะจะชอบชอบอช่วยเหลือพี่น้องแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ไม่เห็นว่าเราสิ่งที่เราทำให้เขาเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ไม่ไม่เข้าใจเวลาที่เราบอกแล้วเขาก็จะชอบมีอะไรสะท้อนกลับมาเราก็เสียใจคราวนี้ก็เลยคิดว่าปล่อยดีกว่าปล่อยดีกว่าในที่นี้คือก็ทำใจค่ะ อ, ะ, ะอาจารย์ก็คือไม่คาดหวงังละ ช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วก็ปล่อยวางที่เหลือเราก็มารักษาใจของเราค่ะตแต่ในด้านการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมยังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยก็พยายามฝึกสติไปก่อพุทธุทธคอยควบคุม ค, ค, ความคิดคแล้วต้องต้องบอกว่าต้องนั่งให้ได้สักวันนึงถ้าไม่เริ่มนั่งมันก็ไม่เริ่มเป็นคนไม่ยังจัดจไม่เข้มแข็งเลยค่ะใช่ค่ะ ยังอ่อนแอมากๆอยู่ค่ะ5นาที10นาทีก็ยังีจะพยายามค่ะต้องเริ่มต้นพอมีเริ่มการเริ่มต้นเดี๋ยไม่ต้องมีการเ้าหน้าไปเ5นาทีก็ยังดี10นาทีนั่งหลับตาวนไปนั่งใจก็ได้ถ้ายางดูลมไม่ได้ก็นั่งหลับตาแล้วก็สวนบนไปในใจไไม่ต้องออกเสียงก็คืออาจจะเป็นการนั่ง ค่ะก็เป็นการเวลาที่ทำพุทโาเราทำนี่ทําพุทโธก็ส่วดมนค่ะหรือเท่าอิติปิโสก็ได้ใช่ไหมคะเวลาที่เราอาจจะว่างๆหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่จิตเราวุ่นวายก็เป็นสวดมนต์ในใจเอไม่ต้องวุ่น้ายไม่ต้องร้อนมันวุ่นวายก็ได้ทำทุกวันกำหนเวลาในเวลากินข้า ลองกาหนด เ, เดินูนะทามันไปเดี๋ยมันก็ไปได้เองอะมันเดิมมันก็ไม่มันก็อยู่อย่างเงี้ยาปี10ปีมันก็อยู่ที่เดิมอ่พอเริ่มใช่ค e ่ะไม่ก้าวหน้าพอเริ่มแล้เนี่ยมันก็ก้าวไปเองค่ะค่ะต้องบังคับต่างอย่างอยาปล่อมันค่ะจะต้องจะตั้งใจมากขึ้นเออต้องบังคับมันยังก็อาธฐาน อธิษฐานค่ะตั้งใจคืออธิษฐานตั้งใจว่าวันนี้จะนั่งทุกวันจะนั่งเวลานี้วันละสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วแต่ได้มากได้น้อยก็นั่งไปขอได้นั่เรื่ก่นถ้ายังดูลมไม่ได้ก็สวดอิทิพิโสไปภายในใจก่อนนั่งหลับตาแล้วก็สวดอิทธิพิโสไปได้น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือขอให้เราตั้งใจไปก่อน ตั้งเป้าตั้งว่าตั้งว่าเวลาว ต, ต, ตั้งเวลาไม่ตั้งใตั้งใจจริงจังตั้งเวลาแล้วถึงเวลาก็ต้องทําถ้ามีสัดจัดถ้าไม่มีสัดจัดทำมาแล้วก็เลวนึกขอผัดไปก่อนเลถ้าไม่มีสัดจัดนะรู้สึกภาพนิ่งเวลาของคุณสายที่ที่ว่าสัญญา<แ>ขไม่ดีเนาะ จะไปที่คุณเอกต่อเลยนะคุณสายทิพย์จากคุณเอกเชิญกล่าวมาสการพระอาจารย์พระผมเอ่าจากเชียงรายคุณเอกพระผมจากเชียงรายครับพระอาจารย์ครับเป็นงไง<อ>มีอะไรไหมวันนี้ก็วันนี้ก็เออื่นก็ขอให้ปี่บวเดพระอาจารย์ก่อนนะครับข อ, อให้ดันทรงธาตุขันอยู่กับอลูกหลานเป็นานานๆนะครับเอ่าสาธุสาธุ แล้วก็เ อ, อวันนี้ก็จะมารายงานการปฏิบัติที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ครับพระอาจารย์ออก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมครับตื่นทีสี่มาปฏิบัติแล้วก็ก่อนนอนทุกวันนะครับเดี๋ยวนี้มีเพิ่มไอช่วงกลางวันครับช่วงประมาณสองโมงสามโมงก็นั่งสมาธิอยู่ประมาณชั่วโมงเนี่ยครับดีเพิมไปเรื่อยเืยเพิ่มมากขึ้นเอาเวลาที่ไปทําอย่างอื่นมานั่งสมาธิดีกว่า ครับผมก็สัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เขึ้นลงลงรุ่มรมบอลดอนนะครับอาจารย์ก็มีอมีสงบบ้างไม่สงบบ้างนะครับอาจารย์มันก็ต้องสู้กันไปรันต้องมวยครับความขี่เกียจของขราพเจ้ามันมันต่อสู้กันครับก็นคพยายามบอกครับผมความขี่เกียจมันชนะครับผมผัดกันไปผัดกันลุกผัดกันรับครับผม มีอะไรจะถามไหมวันนี้ก็วันนี้ไม่มีคือเข้ามารับวฟังแล้วก็มารายงานให้พระอาจารย์ได้รับทราบแล้วก็ขอคาแนะนําพระอาจารย์เพิ่มเติมอีกครับก็นี่แหละให้เรามีศีละมีอธิษฐานศีจะอธิษฐานครับผมกําหนดเวลาปฏิบัติแล้วก็ต้องทําตามที่เรากําหนดครับผ ม, ผมต้องมีความเพียรพอถึงเวลาแล้วก็ต้องเพียรพยายาม นั่งให้มั่งนั่งให้นาที่สุดท่านที่ยังนั่ได้ครับสติแล้วอดทนเจ็บบ้างปวดบ้างอะไรก็อยากพุ่งยอมแพ้จงเลื่อนสติให้มากๆอยู่กับพุทโธพุทโธเวลามันเจ็บครับู้ความเจ็บะผเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันก็ผ่านความเจ็บไปได้ผม เพราะว่าช่วงที่ที่ผ่านมาผมก็พยายามดูความเจ็บของร่างกายเหมือนกันนะครับบางทีมันปวดเราก็บอกว่ามันไม่ใช่เราปวดร่างกายมันปวดเราไม่ใช่ผู้ปวดไม่เชื่อหรอกมันไม่เชื่อซู้ใช้พุทโธพุทโธเลยครับเหมือนไคุยกับมันคุยกับมันได้แป๊บเดี๋ยวก็กลับไปจําไปว่าเราเราเราเป็นมันเองครับครับเอาพุทโธไปสู้นะครับเอาพุทโธเลยก็คุยกับมัน โอ้ยนะมันก็ไม่เชื่อครับผมเออเดี๋ยวป้ามันก็บอกเฮ้ยเจ็บเพื่อนก็รู้ทนไม่ไหวแล้วครับผมเพราะเดี๋ยวนี้เอเดินจงกรมผมก็ตอนช่วงเย็นก็เดินประมาณเอ่อชั่วโมงบางทีก็ชั่วโมงครึ่งนะครับช่วงช่วงเย็นนะฮะช่วงตอนเช้านั้ก็ตื่นมาก็นั่งสมาธิก็สองสามวันสองสามเช้านี้ผ่านมาก็นั่งประมาณชั่วโมงกว่าก็นั่งได้อยู่ครับ ที่เหลือก็อมาเดินจุกกุมมาได้โอเคนะเดี hmm. mm ๋ยวไปทานดอกหน่นะครับกาวาปุนพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับผมก่อนวิชาฟังเจเป็นยังไงบ้างก็ไปปฏิบัติมาเมื่อวันอาทิตย์แล้วกลับมาเมื่อวานครับก็คือกลับมาก่อนกว่าที่กำหนดไว้ตอนแรกวันหนึ่งครับต้องกลับมาเตรียมงานรอพระครับก็ปฏิบัติที่ที่ไปปฏิบัติก็ เออเรื่อยๆครับก็คือมันตื่นเองเวลาที่สามแล้วก็ก็คือภาวนาปกติแลว้วก็จงกรมสลับกันไปอมาทำไปเรื่อยๆนะการปฏิบัติมันกต้องทําอย่างนี้ไปอย่าเพิ่งไปคาดหวังคาดผลหวังผลมากเกินเกินไ ป, ไปเราสร้างเหตุไว้ก่อนมีเหตุแล้วเรกผลแล้วตามมาสงบวไว้สงบก็คือไม่ได้สนใจแต่ว่าก็คือทําให้มันได้ตามที่เราตั้งใจไว้ ไมสนใจว่ามีสติแล้วไม่มีสติแต่บางอย่างว่ายังว่ายังสู้เหมือนว่าสู้กิเลสมันไม่ได้ยังคนยังตอนเรียนเนี้ยก็คือแต่ตอนนี้มันเป็นแชมป์แล้วพุ่งแล้ว พ, พู่งมาเริ่มต้นแล้วต้องค่อยตไต่เต้าขึ้นไปผมก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยอมมันก่อนเดี๋ยวแล้วผมก็รู้ไงรู้ว่ามันมาแต่ว่า เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวรอบน่ะก็คือไม่ได้เอามายึดว่ามันต้องเป็นไอเราเราซูนไม่ได้อะไ ร, ไงรเงี้ยแต่ว่าเออดีจะเจอกันใหม่คราวหน้าเดี๋ยวมันต้องก็คือต้องครับได้ไม่มีอะไรใช่ไหมวันนี้ใครับก็มาฟังเรื่องสร้างกำลังใจอ่า ไ, ไปท่านต่อไปคุณสุพัฒนาจากโอวินใช่ไหม การละมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากบ่อวินเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรรอรอพระอาจารย์ตั้งนานแต่ว่าเข้าไม่ได้ค่ะก็เลยขึ้นเข้ามามค่ะวันนี้ก็มาขอฟังธรรมกับพระอาจารย์นะคะอนเดิดีเจ้าค่ะฟังไปเรื่อยๆแล้วไ ป, ลนนไปปฏิบัติบ้างไหมบ้างก็เอามาปฏิบัติดูเจ้าค่ะฟังทุกวันแล้วก็ทําให้มีมันเป็นแรงผักดันนะคะอทํำให เดินเดินอาจจะเดินไม่เร็วคะ่ะพระอาจารย์ก็ค่อยๆเดินนะคะนั่งมสมาธิก็ยังได้น้อยอยู่แต่ใช้วิธีมีสติแล้วก็ดูใจคะ่ะตอนนี้ เ, เพราะว่าต้องทำงานด้วยะคะ่ะทำเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันนะค่ะตอนนี้กาลังพยายามพยายามเล่งตัวเองอยู่เหมือนกันคะ่ะพระอาจารย์ก็อ ข, ขอให้พระอาจารย์แข่งแรงนะเจ้าคะ่ะ ขอให้พรัตนาใจ ร, รักษาธาตขันพระจันทร์ให้อยู่นานๆนจาค่ะสาธุคาุคุณพระพุาจยากสัตยสุขใช่ไหมค่ะการนมันสการพระจานทร์ค่ะเป็นยังไงบ้างมีอะไรไหมอ๋ออ๋อแฮปปี้วันเดย์พระจานทร์ค่ะวันนั้นไปแล้วลืมลืมเหรอลืมค่ะขอให้พระจานร์สุขภาพแข็งแรงนะคะสาธุสาธุ ก็หนูมีคือช่วงนี้เวลาทําเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ประจําวันอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีอะไรมากระทบหรืออะไรเงี้ยเหมือนจิตมันจะเข้าไปที่เหมือนมีที่หลบแต่ว่าเข้าไปที่เดียวแล้วก็เหมือนกับเรารับรู้แต่ว่าไม่ค่อยที่เฉยมันไปอยู่ที่เฉยที่เดียวที่นั้นค่ะอย่างนั้นแล้วก็บ่อยถึงชมก็เหมือนกันเพราะว่า มันไปเองไม่ว่าจะชมหรือจะด่าก็เฉยไว้ค่ะตอนแรกก็ชมชมก็เราก็มันก็เข้าไปตรงนั้นอีกที่เดิมแล้วก็บางครั้งก่อนก่อนหน้าเนี้ยคือมันจะมีความคิดเหมือนไม่ทราบว่าหนูฟังผ่าจานเทหรืออะไรแล้วมันจําหรื อ, อยังไงอ่ะค่ะคือจะคิดว่าเออหยดน้ําบนใบบวัวนั้นนะคะ นั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะใจเราแล้วอันนั้นน่ะก็จะขึ้นมาทันทีพออะไรมากระทบมันก็จะขึ้น่ะความคิดนั้นอย่าไปดูดมันเข้ามาในใจค่ะไปมัข้างนอกแต่นี่คือสัญญาใช่ไหมคะคือว่าที่เราจําไว้ปัญญาแล้ถ้าใช้แล้วใจเราเฉยมันก็เป็นปัญญาออโอเคค่ะเฉยอยู่เฉยได้อยู่ค่ะจนมีก็ประมาณนี้แต่คิดแต่คิดก็ยังเป็นสัญญาอยู่ค่ะแล้วก็หยุดได้ก็เป็นปัญญา อ๋อค่ะหยุดได้คือบัญญาคือหยุดอยู่ค่ะช่วงนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์หยุดความโลภบ้างได้ป่ะความโลภยังไม่ได้ได้แต่เรื่องที่แบบที่เขาที่คำพูดได้แต่ยังหยอกข้างในยังยังยังข้คนีนก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาไปเอาทีละตัวนะเอาที่ละตัวรู้สึกมัน มันเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะพุดโธพุดโธรพูดโทแต่เดี๋ยวนี้พุดโทรก็ไม่ขึ้นก็ไม่ได้พุโทแต่มันกลับไปอยู่ตรงนั้นเวลามันอยากมากอยากได้เนื้ออะไรใช้มันน้อยสังเกตอันนั้นใช่ไหมคะขั้นต่อไปเหรอคะถ้าเราอยากเอาเท่าที่จาเป็นอยังซื้อของเยอะอยู่ค่ะตอนเจ้าพอใช้หรือยังเต็มตู้เลยค่ะ เสื้อผาอยลอะไรเงี้ค่ะค่ะเอาๆเอากี่ตัวถึงจะพอค่ะใจวันหนึ่งกี่ตัวไ่้อ๋อเราก็คิดแบบนี้แต่เื้อผ้ามากี่ชุดกันค่ะเผื่อจะได้ซื้อของน้อยลงน้อยลงถามว่าจำเป็นไหมค่ะถ้าไม่ถ้าไม่ได้ซื้อเราจะตายไหมเจ้าค่ะเแต่ไจะเจ็บกันดีกว่า ไม่เงินจะตายได้ประหยัดด้วยนะคะอซึ่อเงินกันได้ไหซื้อเงินเก็บเงินนี่ของมันก็ซื้อเจอค่ะเอาไปทําบุญดีกว่าทําบุญแล้วเก็บไว้เผื่อเราเก็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นอะไรเจอค่ะถ้าทำเงิได้ก็ดีแต่ถ้าก็ต้องมีเก็บเผื่อไว้บ้างเพราะมไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้เหมันเมื่อไหร่เจอค่ะอเค มาแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะอพยายามตัดความ่วมความอยากด้วยนะได้ค่ะตัดเรื่องต่าเรื่องอื่นได้ต้องเฉยกับความร่วมความอยากได้ยังซื้อของได้ค่ะเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะลองดูค่ะถ้าเราอยากซื้ออะไรแล้วเราจะเลาจะต้องคิดว่าไม่ซื้อเราจะตายไหมมันจําเป็นไหมมันจะเป็นยัถ้าข้าวเนี้ยไม่มีก็ต้องซื้ออย่างนี้เจ้าค่ะ ถ้าอย่างอื่นมันมีอยู่แล้วเสื้อผ้าก็มีใส่อยู่แล้วไม่ขาดแค่นเลเจ้าค่ะพระอาจารย์เราไม่สนใจทะหยัดเงินนประหยัดเงินนี่มันเป็นผลพลอยได้ต้องคือต้องการตัดความอยากให้มันน้อยลงไปเลยเจ้าค่ะโอเคนะค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์่านต่อไปคุณธานุ จาจกจากที่ไหนที่ไหนครับกลับในมั ส, สการครูบาอาจารย์ครับจากจากเชนซาวครับมีอะไรไหมเคยเคยเข้ามาฟังครูบาอาจารย์เมื่อสักสองเดือนที่แล้วครับช่วงโควิดก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ามาพอดี ว, วันนี้เห็นในเฟ e b o o กก็เลยเข้ามาฟังก็อออขอโอกาสกับเรียนเรื่องภาวนาในช่วงที่ผ่านมาครับอาใช่ใ น, นช่วงเข้าพรรษาเนี่ยผม พอดีว่ามีครูบาอาจารย์ท่านหนึงมาจากที่ทางเอาทงางภาคอีสานนะครับมาแถวชาชซาเชงเซาแล้วท่านก็จะนำภาวนาทุกพ์ขั้วศุกผมก็ไปร่วมกับเขาด้วยก็ครั้งละสามชั่วโมงทั้งนั่งแล้เดินนั่งสามชั่วโมงแล้วก็ถ้าไหวก็เดินต่ออีกสามชั่วโมงเนี้ครับคือเดิมผมทําสมถะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนักแต่ว่าก็รู้สึกว่าทําให้ดีขึ้นจนบางครั้งก็ต่อเนื่องได้ทั้งสามชั่วโมงทีนี้พอออกพรรษาเนี่ยผมก็ไปอยู่กับ พระเจริสภาที่ที่วองนั้นเขียวอะครับก็มีภาวนาที่วัดท่านก็วันแรกไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเราก็ยังรอแลรรอแลอยู่ก็ได้ยินท่านเทศขึ้นมาคํานึงว่าฝันถึงมาคนนิพพานแล้วก็ยังจะมานอนเล่นอย่างเงี้ยมันกิเลสมันก็ได้แต่ลาคาญปฏิบัติอย่างเงี้ยก็ได้เอาจริงก็เลยพยายามทําให้ต่อเนื่องทุกวันนะครับตื่นมาตั้งแต่ดีสองก็ก็กำหนดพุดโธอยู่ตลอดไม่ให้หลุดเลยแล้วก็ ทั้งเดินทั้งนั่งสลับกันพอพอมันเป็นปลาของมันเนี่ยจิตมันมันแน่นอยู่ข้างในเนะฮะสมาธิมันแน่นมันก็ไม่อยากจะไปทุ่มเสกับใครทีนี้ทําทํางานอยู่ข้างในทั้งวันมันก็เริ่มพิจารณาด้วยอย่างเวทนาเนี่ยพิจารณาจากที่เราธรรมดาเรามีสมาธิเราก็แยกมันอยู่เวทนาข้างนอกเราเห็นมันอยู่เวทนาที่มันเกิดข้างในก็เห็นบางทีมันจะชวนให้เราเปลี่ยนท่าแล้วก็เห็น ก็ดูมันอยู่อย่างนั้นจนบางคราวเนี่ยพอจิตมันเห็นเหตุการณ์ในที่มันเกิดในตรงหน้าเนี่ยถามมันทบไปทวนมาอย่างเนี้ยตัวเวทนาที่เรารู้สึกว่ามันหนักอยู่่มันทุกข์ใจเราอยู่มันก็คลิกเป็นเบาไว้เห็นต่อหน้าต่อตาในตัวเดียวกันเลครับมันก็อัศจรรย์ใจอยู่เหมือนกันมันก็พิจารณาอยู่ทั้งวันเลยเขานั้นมันก็รู้สึกเลยว่าที่ผ่านมาเราภาวนาเนี่ยถ้ามันไม่ต่อเนื่องนะ มันไม่ได้อะไรเลยมันมันเหมือนกับว่าทำทำแล้วมันหยุดแต่พอเราตั้งใจว่าทําให้มันต่อเนื่องจริงๆเนี่ยอ้โหมันมันเป็นไปเองหมดเลยครับยังตื่นเช้ามันก็พาให้เราตื่นตื่นมาก็รู้สึกว่าใจมันต้องจอดอยู่ที่ที่พูดโทแล้วจะนั่งก็นั่งไปนั่งแล้วก็เดินสลับกันเข้าวัดทําอะไรก็ไม่อยากไปสูงสิงแล้วใครทาไปกวาดตีตาอะไรเสร็จก็กลับเข้ามาทําธุระเสร็จก็นั่งภาวนาต่ออยู่ครับมันก็รู้สึกว่า มันเพลิดเพลินอยู่กับงานที่ทำทั้งที่เมื่อก่อนภาวนาเนี่ยเหมือนมันต้องฝืนแต่พอกลับมาอยู่บ้านได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็เริ่มหย่อนอีกแล้วครับกันมันก็พยายามรู้เสียดายว่าเราทมไมไม่เข้มงวดกับตัวเองเลยปล่อยให้มันหย่อนมัอนกันย่อบ่อยๆเพราะบรรยากาศที่บ้านมันมีความจำเก่าอยู่เกี่ยววเรื่องของกิเลสเยอะครับแต่ช่วงหลังผมจะครับผม โอกาสครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มนั่งตั้งแต่เข้าพรรษามาจนจนถึงช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมาจับที่เวทนาได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอมันถึงสักชั่วโมงกว่าๆสองชั่วโมงมันก็เริ่มมาเรื่อยๆทีนี้แรกๆที่จับมันเนี่ยอ่ามันก็จะเห็นอยทั้ทงเวทนานอกที่มันเกิดแล้วมขาก็สูญออกมาข้างในที่จน เห็นเวทนาในเนเวทนานอกบางทีมันก็ไม่มีความหมายแต่มันก็จังเห็นไอตัวที่มันปวดที่มันดิ้นรนที่มันกระสับกระสายดิ้นไปดิ้นมาบางครั้งพอมันดิ้นไปแล้วอยู่ดีมันก็แอบแว๊กขึ้นมาอีกชวนให้เราพลิกเปลี่ยนกระสับกระสายแล้วก็ดูมันอยู่อย่างนั้นก็ดูเอาแต่ก็ยังไปสาวไปถึงเหตุมันไม่ได้ก็พยายามพิจารณาอยู่ว่าต้นเหตุแท้ๆมันยังไงแต่บางครั้งนะครับครูบาอาจารย์บางทีมันเห็นเหมือนก็ว่าเราเราปวดที่ขาเนี่ยจิตมันปรุงรูปตัวเรา แล้วก็ปรุงรูปขาส่วนนั้นขึ้นมาพอมันครอบเป็นเราปุ๊บมันก็เหมาเหมาเป็นเราไปหมดพอทันตรงนั้นปุ๊บบางทีมันก็หยุดไปขนาดหนึ่งแล้วมันก็ปรุงมาอีกไม่ทันมันมันก็มาอีกไม่ทราบว่าที่ผมพิจารณาอยู่อย่างนี้มันถูกไหมครับถูกครับถ้ามันจิตมันนิ่งมันเฉยได้ก็ถูกครับมีอะไรจะถามไหมไม่ไม่ได้ถามแค่นี้เลยก็ก็คิดว่าคงจะต้อง จะต้องทำสลับกันทั้งทั้งปรวนทั้งการพิจารณาทั้งการนั่งสมาธิจะทําทอย่างใดอย่างหนึ่งครพิจารณามากๆเดี๋ยวการเป็นความพุ้งซ่านกันมาแล้วทำไม<ผ> ม, มีสมาธิครับครับมนจะใหญ่ก็จะเริ่มเริ่มจากพุโทโธไปก่อนจนจนพอมีกําลังระดับหนึ่งแต่ผมทําสมาธิไม่ไม่เคยว่ามันลงถึงอัปน า, าจริงๆเนี่ย ท, ทั้งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ประมาณแค่สองครั้ง ออมันก็รู้อยู่เฉยอยังงั้นนะรู้แต่ว่าจากนั้นมาทํามันไงก็ไม่ลงมันก็เหมือนทําไม่ค่อยไม่ค่อยได้ครับไม่ ไ, ได้ก็อย่างมากอย่ไ<ม><ม>าไปคิดถึงอดีตอย่าไปอยาครับปัจจุบันอยู่กับพุทโธอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กำกับจิตนะครับโอเคอาเท่านี้ก่อนนะให้ท่มนหนึงได้คุยบ้างค ร, ครับขอบพระคุณครูบาอาจารย์ต่อไปคุณเอกชัยเดิน อยู่ที่ไหนเปิดไมค์ก่อนอ่าเปิดนะคุการครับอาจารย์ครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับอ่าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเชียงใหม่โอเคครับผมอ่าผมขออนุญาตถามครับขอการถามครับอ่าคือตอนปฏิบัติละครสมัยเมื่อก่อนนะครับตอนตอนที่ยังไม่ไม่ได้มาปฏิบัติกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แถวเชียงใหม่นะครับก็คือผมทําสมาธิแบบไม่ไม่ท่องไม่ท่องพุทโธครับ อใช้วิธีคือแบบว่าเราไม่ต้องคิดอะไรสักอย่างครับคือวันนี้เรานั่งปุ๊บเราจะไม่คิดอะไรสักอย่างติดมันรวมมันรวมได้ทุกครั้งเลยครับคือมีความสุขมีความเบาแล้วผมก็พอ ม, มีความเบาปุ๊บผมก็เพ่งที่ไปที่ความเบาปุ๊บก็คือเป็นสว่างนะครับคือเหมือนกับเราอยู่ตัวคนเดียวในโลกครับคือเบาคือไม่รู้สึกอะไรสักอย่างไม่มีตัวไม่มีตนอะไรสักอย่างครับตรงผมไม่รู้วาทราวเานี่คืออะไรแต่ผบ แต่พักหลังมาก็คือไปฟังพ่อแม่ครูคูบาอาจารย์หลายๆท่านท่านท่านบอกให้ให้ท่องพุทโธครับผมวงปู่ทธิ์องห่องพุทโธพุทโธแตกแตกจิบก็ไม่รวมครับแต่ก็ายามท่องรครับไม่ใช่ไม่ใช่จลิกของเราก็ได้ใช่ครับเพราะว่ า, าผมผมทําผมทําหนักามากเขาเคยไปปฏิบัติที่วัดอยู่ในป่าคนเดียวอยู่ป่อยครับก็ก็ไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ว่าแต่ว่ามันมันบางทีก็ก็เห็นภาพอะไรไม่รู้ครับ คือผมกําลังหลงหรือเปล่าครับหลงทางหรือเปล่าว่าว่าเราเราจะต้องทํำยังไงครับมันอย่างเงี้ยครั บ, นรบในกรณีอย่าเงี้ยทําแบบที่เคยทํามา่ก่อนที่ทำแล้วคิดว่าจิตสงบแบบนั้นครอ่อมันจะเป็นเฉพาะตนตนที่ผมมีความทุกข์ครับความทุกข์มากๆแบบมันจะเข้าได้สมาธิได้เร็วมากครับเขาเรียกว่าต้องต้องมีสตินะครับหรือว่าอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเวลาเวลาไหนผมผมใจใจิตใจสบายสบายเนี้ยครับจะทําทําไม่ค่อยได้ครับ ก็ลองดูลมหายใจเข้าออก็ได้ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ครับถ้าใช้พุทโธแล้วมันไม่ไม่ถูกกำลังก็ลองใช้ดูลมหายใจเข้าออก็ได้แต่ในกรณีแรกนี่คือคือถูกแล้วใช่ไหมครับถูกทาง น, นะครับเพราะผมผมหลังจากผมออกจากสมาธิมันมีความสุขทั้งวันเลยครับเออแน่นอนวันนะละครับแล้วเราเราก็เวลาเราทําตอนไหนเราเราจำได้ตลอดเลยครับตั้งแต่ผมเด็กๆของทําอย่างเงี้ยผมยังจําได้เลยครับเออมันก็เป็นจิตลึกของเรา ทางทางเราก็ใช้ได้คือผมต้องทำเราต้องลองทาเป็นแบบเดิมใช่ไหมครับทาแบบเดิมไปถบาแบบเดิมดีก็ทาแบบเดิมคือการทำสมาธินี่มีหลายแบบเลยวุฒโทก็แบบหนึ่งลองหายใจก็ก็แบบหยุดความคิดไว้ได้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอยู่ที่ว่าเราเราถนัดทางไหนก็ทานั้นก็แล้วกัน แล้วมีอะไรอีกไหมก็มีมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมผมเคยเดินจงกรมครับเดินจงกรมนานมากครับแล้วแล้วทีนี้มันเหมือนกับเท้ามันไม่ติดพื้นนะครับมันเบาไปหมดเลยครับอันนี้อันนี้คือสภาวะอะไรครับเบาและจิตสงบไหมจิตสงบไหมจะรู้สึกตัวเบาไหมมันเดินเพลินจนไม่อยากหยุดเลยครับเดินเดินทั้งวันเลยครับเดินเบาบสบายไม่เหนื่อยครับออถ้าปกติรับเป้นอย่างนี้เราจะต้องทำอะไรต่อหรือว่าเดินไปเรื่อยๆครับ ก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็พอเมื่อยก็ลรามานั่งต่อับให้มันรวมมันยังไม่รวมให้มันรวมเป็นหนึ่งแล้วก็แยกออกจากร่างกายไปเลยะคอันนั้นต้องดูลมหายใจพอมานั่งก็มาดูลมหายใจต่อด้วยใช้วิธีที่คนทํามาก่อนก็ได้นะแล้วใดไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมาดูที่ลมหายใจมันถึงจะรวมได้ ขอบพระคุณครับแล้วก็ถ้าถ้ามีเวลาว่างบ้างเวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็พิจารณาอนิจจังทุกขงาศาศาังหน้าตาบ้างร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาไปได้มีปัญญาครับเวลาเจอความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจะได้ไม่ชุบข์เมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นมันเป็นของไม่เที่ยง มันเกิดแล้วก็เดี่ยวเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ใจก็จะไม่วุ่นวายไปกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายโอเคนะครับอบคุณผู้ชมนีก่อนนะครับขอบคุณครับท่านต่อไปคุณคริสคุณคริสได้ยินอยู่ที่ไหนฝากมาก่อนครับผมอยู่กรุงเทพครับหลวงพ่อครับเคยเข้ามารึเปลา เคยเข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับพอดีคุณลาแกแนะนาเข้ามาครับอันนี้มีอะไรไหมจริงๆก็มีอะรบนี้มาฟังธรรมะจากหวงพ่อครับครับเราฟังไปก่อนนะครับนะครับไามที่ัสกาครับคุณเกษินจากอเมริกานอร์ทแคโรไลนาใช่ไหมใช่ค่ะรัฐรัฐสกานค่ะอันนี้ไปลงเสียงแ้วยัง ลงเรียบร้อยแล้วค่ะเขามีเขามีจดหมายส่งมาถึงบ้านคือเราไม่สะเราไม่จำเป็นต้องไปโบสที่ที่ศูนย์นะคะคือเราโบสจากบ้านเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีอะไรเจ้าค่ะแค่มาขอร่วมฟังธรรมเพื่อเจ้าค่ะเวลเออเวลาตอนนี้เปลี่ยนแล้วคือเวลาเท่ากับบ้านเราแล้วแต่เปลยน้านเราสองทุ่มกับสองโมงเช้า เมื่อก่อนเป็นสามโมงเช้าแล้วค่ะอันนี้วนเวลาเท่ากับถอยไปชั่วโมงนึงถอยกลับไปชั่วโมงหนึ่งก็เลยนอนนอนมากขึ้นวันที่ถอยกลับใช่ไหมตื่นสายได้นอนไม่ไมค่อยหลับเจ้าค่ะก็นอนไม่หลับก็นั่งสมาธิ <c oughs> ไปมันไปมันไปตื่เวลานั้นก็ต้องตื่นนะเจ้าค่ะเอย่ามันก็ปรับได้นะเอย่ามันก็เจ้าค่ะโอเค เอ็นเจลเป็นยังไงบ้าง<ะ>สบายดีไหมเองเจ้าล ย, ยังไม่ตื่นเจ้า ค, ะา ค, ค่ะนาเตื่นแปดหมงเช้าเจ้าค่ะนอนตื่นท้ายเละคุณนายตื่น้ายเลยตื่นสายเจ้าค่ ะ, คะสิบสองชั่วโมงเจ้าค่ะโอเคกรตัดทุกเจ้าค่ะท่านต่อไป<ะ>คุณวิไล<ะ>คุณวิไลไม่ได้เปิดกล้องไม่ทราบว่าอยากจะพูดหรือเปล่าผมไม่อยากพูดเนาะ ไม่ไม่เปิดกล้องนะฮะถามแล้วฮะผ่านไปก่อนอันนี้หมดแล้วนะคนที่มีแต่คนไม่เปิดกล้องนัครับใคร อ, อยากจะถามอะไรก็ยกมือขึ้นแล้วก็พูดได้นะเพราะว่ามีมีมีคําถามทางเฟซบุ๊กนะฮะลาอ่าใช่มีสามคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะคําถามแรกจากคุณบุตรสบาเวลานั่งสมาธิ ทำไมตัวโยกไปโยกมาคะไม่มีสติมันก็โยกนั้นลงเวลานั่งต้องมีสติเช่นมีพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้ว ด, ดูลมหายใจออก็ออมันก็จะไม่มันก็จะไม่โยกถ้านั่งเฉยๆไม่มีอะไรควบคุมจิตมันก็จะโยกได้คำถามที่สองจากคุณพูนทรัพย์ค่ะความเมตตามันเกิดตามดวงจิต หรือมันเกิดตามการเลี้ยงดูหรือสิ่งแวดล้อมคะเกิดจากการฝึกผลอบรมนะเกิดจากการได้ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาว่าความเมตตานี้มันมีประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นเช่นเวลามีมีความโกรธก็อย่าไปอาฆาตพยาบาท้ง อ็กล้าพยายามแล้วจองเวรจองกรรมนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาถ้าให้อภัยกันได้ออันนี้ไม่จองเวรอ น, นี้ก็เรยกว่าให้เมตตาแผนเมตตาเรื่องก็จบคําถามสุดท้ายจากคุณเบนลมหายใจคืออะไรเจ้าคะอ่าคุณอยู่กับมันทุกวันตั้งแต่เกิดมาคุณไม่รู้เลยลมหายใจเป็นอะไร ต, ตอนนี้คุณหายใจเข้าหายใจออกคุณเ่า ดูไปดูที่ปลายจมูกเลยดูว่ามีลมเข้าไหมมีลมออกไหมนั่นแหละคือลมหายใจของคุณของทุกคนถ้าไม่หายใจก็ตายไปดูคนตายเขาไม่หายใจหมดแล้วหรือคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะอะ่มีเจ้าใหม่เข้ามาใหม่อ่าคุณหมอคุณหมออ๋อ การในมรดกการค่ะพระอาจารย์สบายดีนะสบายดีค่ะจะเข้ามาสุขตอนวันเกิดพระอาจารย์ค่ะอ่ะาทุกวันก่อนคุณแม่มาใส่บาตรใช่ไหมใช่ค่ะแม่ก็เล่าให้ฟังค่ะพระอาจารย์เพอิญมัดติดงานเลยไม่ได้ไปค่ะอเอออาจารย์แข็งแรงดีนะคะแข็งแรงดียังหายใจได้อยู่อือขอให้พระอาจารย์อยู่นานๆ น, น, นะคะจะได้เป็น คนนำพาสอนญาติโยมต่างๆค่ะาาการอยู่ของพระอาจารย์มีประโยชน์ค่ะสาธุสๆไม่มีอะไรจะหาหรํามหมอพระอาจารย์คะลักษณะของจิตรวมค่ะอ่อันนี้ต้องทำเองถึงจะถึงจะรู้อันที่พูดยังไงก็ไม่เข้าใจนะเพราะเันของที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอืมค่ะจิตรวมมันก็จะนิ่งจะสงบจะเบาจะสบายจะสุขมาก นะต้องใช้พุโทโธพุโทโธนั่งพุโทโธไปแล้วนั่งดูลมไปเดี๋ยวมันก็รวมเอง<ะ>โอเคนะอะน้ำมาสการค่ะอาจารย์คุณพาวินีเจิคุณพาวินีต่อเปิดไมค์ก่อนน ะ, ะยังวม่นี้เปิดไมค์อ่าปิดละเปิดลดะค่ะกราบนมาสการพระอาจารย์ค่ะ ออยู่ที่ไหนอยู่ที่พิษณุโลกเจ้าค่ะเข้ามาครั้งแรกนะใช่ค่ะอะมีอะไรไหมมีอะไรจะถามไหมอ๋อไม่มีเจ้าค่ะเพราะว่าเข้ามาฟังพระอาจารย์ที่ไลฟ์สดช่วงช่วงบ่ายนะคะท่านมีเวลาก็จะมาฟังบ่อยะคะ่ะก็ขอแค่รับฟังธรรมจากพระอาจารย์ค่ะโอเคเอ็นไปที่ท่านต่อไปนะ ควรขวานมีอะไรจะพูดไหมควนขวานงานเจ้าค่ะไม่มีที่อะไรเจ้าค่ะมาแล้วอ่าโอเคนั่งฟังไปคุณก้าคุณก้าวงนคุณก้าไปเลยก่อนอาจจะเอาประเด็นเพิ่มขึ้นมาั กูเสียงดังหน่อยครับอ๋อเเซฟอันนี้เพิ่งมาครับครับอาจารย์ได้ยินไหครับยังคนเบาไปหน่อยนะอ๋ออ่คุยใกล้ปากครับแต่มีอะไรไหมวันนี้ครับผมถ้าจะอัปปาดีต้องสมาธิแล้วบองีมันจะติดอัดแล้วก็ปวดหัวแต่ว่าบางบางทีมันก็ บีพอเราพูดโทรไปเราไม่สนใจมันบางทีมันก็ก็สงบมันก็เหมกับส้มองก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยอะมันก็ไปได้ครับบานที้บินเลยมันค่อยขาดความเวลาจะนั่งสมาธิมันจะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาแต่นั่งดูหนังนี่ไม่อึดอัดนครับผมแล้วปวดหัวขึ้นมาเลยเลยครับแล้วไปสนใจมันนี่ก็พูดโทรพูดโทรเราไปทนเราหน่อยเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ เดีมันก็หายไปจากเองมันเป็นเพราะตั้งใจเกินไปนะมันมันเป็นเพราะเราตั้งใจเกินไปพูดมันก็ได้ยินเลยเสียงของคนได้ยินแบบได้ยินนะมันเป็นเพราะว่าเราตั้งใจเกินไปนะไม่เราไม่ได้ตั้งใจหรอกมันอยู่ที่ดีเลตมันไม่ชอบให้เรานั่งมันไม่ชอบอยู่เฉย พออยู่เฉยมันก็สร้างความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาก็จะทำให้เราไม่อยากนั่งอันนี้มันไม่ต้องไปสนใจมันเราอยู่พุโทพโธุทโธไปสวดมนต์ไปเดี๋ยวมันก็หายไปอาการอย่าไปสนใจนเราทำดูนะเราเราไปทำดูไครับเดี๋ยวผมขอเรียกแม่ครับนึงนะอยู่อยข้างตรงเนี้ย อ่าด้เชิญอ้าเชิญอันดีโยมมาพูดได้เลยครับนมัสการกับพระอาจารย์อสบายดีนะว่สบายดีเจ้าค่ะอาบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านอยู่อำเภอข่อยย้อยจังหวัดเพชรบลรีเจ้าค่ะข่อยยอยเพ็รบุรีเจ้บค่ะมีอะไรจะถามไหม ถ้ามีบาปเราทำแล้วมีอะไรจะถามไหมเจ้าค่ะถามได้เลยถ้าอยากจะถามว่อาจาิยถามได้เลยขออภัค่านอาจารเจ้าคะ่ะการไปซื้อเนื้อหมูเนื้อบวัวมาทํากับข้าวเป็นบาปไหมเจ้าคะ่ะไม่ของตายแล้วไม่บาปหรอกยังเป็นของเป็นอยู่แล้วไปสั่งให้เขาทําข่าให้เราถึงจะบาป อ๋อเจ้าค่ะถ้าเขาฆ่ามาขายแล้วเราไม่เกี่ยวกับเราซื้อเนื้อไปเราก็ไม่ริ้สว่วนแต่ถ้าเราไปสั่งล่วงหน้าก่อนไม่ได้บอพรุ่งนี้เราไก่สองตัวนี้ก็ไปสั่งให้ เ, า ข, าเขาขเขาฆ่ามาให้เราเอา๋อแค่เขาไปสั่งมาลิบาบใช่ไหมเา้าค่ะอ่าถ้าสั่งก็บาปทำเองก็บาปสั่งให้คนอื่นทําให้เราก็บาปเจ้าค่ะยังอย่าไปสั่งไปซื้อได้ ไปตลาดเห็นเนื้อตายเนื้อชอบความขายไว้เนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้ออะไรก็ตามที่ของมันตายแล้วก็ซื้อมาใช้มาทำอาหารกินไะด้ไม่บาปถ้าจะครับในมดมดที่บ้านเยอะมากเลยครับตามคลืนะครับพอเดินบางทีว่าเรามาทีถ้าเราไม่ได้สังเกตเ ง, งี้ยมันก็จะขึ้นเกลี่ยก็ดูทางเดินมันขึ้นตรงไหนแล้วก็ไปกวาดตรงทางที่มันขึ้น แล้วกาชอบไปขีดหน่ยก่อนมันออกไปก่อนอแล้วก็ชอบไปขี ด, ขดขวังทางทางเดินมันมันก็ไม่ขึ้นแล้วพ อ, อมันเดินขึ้นมามันได้กลิ่นมันก็ถอยและมันมีช็อปกันมดเรู้ไหมใครใครได้ยินหมเคยเคยได้ยินครับแต่ไม่เคยใช้เลยไปดูว่ามันมดเป็นขึ้นขึ้นมาตรงไหนทางเดินมันอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาช็อปไปขีดกั้นทางเดินไว้พอมันมามันได้กลิ่นมันก็ไม่มันก็ถอย แอย่าไปี่ตอนที่มีตัวมดนะต้องกวาดมันไปก่อนกวาดไล่มันไปก่อนกวาดนิดเดียวตรงทางที่เราจะต้องช่องที่เราจะขีดขีดช่องนั่นแะแล้วอลองขีดดูล้วดูเส้นมันจะทำยังไงบางทีมันก็ฉลาดมันก็ย้ายเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางแล้วก็ไปดักใหม่สู้กับมันไปเรื่อยๆตรง น, นั้นวันนั้นผมเอาท้ำฉีดไปไม่ไม่ได้ฉีดมันเลยถึงว่าค่อยๆ ไปในรังมานะครับน้าซึมซึนไปในรังให้มันหนีไปไม่อย่าไปทำอะไรมันเราทำปิดกั้นทางเดินมันได้อยู่แต่อย่าไปทำรังมันก็อย่าไปทำรังมันก็เป็นเหมือนบ้านมันแต่เราพยายามปิดทางเดินขึ้นลงของมันเดี๋ยวมันก็มันก็มันก็ถอยไป ถ้าใช้สเปรย์ฉีดนี่เป็นบาปไหมเจ้าคะถ้าฉีดตอทนที่ไม่มีตัวไม่บาปเลยอยวไปฉีดตอนที่มีตัวไม่ฉีดต้องมีตัวบาปไหมเจ้าคะบาปที่มันตายไใช่ไหมล้วเราใช้แม่ไม่ถึงนี้ใช่ไหมก็กวาดกว่าดมันไปก่อนแล้วค่อยฉีดตรงตรงที่มันเดินเนี่ยพอมันได้กลิน่นสเปรย์มันก็มันก็ถอยมันก็จะหยุดเดินทางมันมันัาจจะเปลียนทางใหม่แล้วก็เราไค่อยสู้กับมัน ใจไหมหลวงพ่อคะถ้าถ้าซื้อนมถ้าซื้อนมไปถวายพระตอนตอนเช้านี้บาปมเ้าคะเอ้ยเป็นเป๊ะม่ไม่หาถึงว่าไม่ไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าเป็นอาบัตห ร, รือเปล่าหรือเปล่าคะเป็อาบัตแล้วพระฉันนมได้ถึงเพล์เท่าถึงเพลยอถ้าถ้าซื้อเป็นเป็นอาหารแห้งเป็ น, นเป็นอาหารไม่ได้อยู่ว่าแห้งหรือไม่แห้งมันอยู่ว่าเป็นอาหารก็ไม่เป็นอาหาร ท่านต้องฉ <ทำ S 1> ันหมดภ า, ายในวนภายในวันเดียว ป, ปอกนะหรือว่าเก็บไว้ได้เอเก็บคือถ้าจะเก็บต้องฝากกับลูกศิษย์ไว้เก็บเองไม่ได้ยมต้องฝากกับลูกศิษย์แล้ววางไว้เฉยๆเวลาถวายพระของเยอะๆวางไว้ไม่ต้องประเคนกับมือบอกว่าถวายหลวงพ่อให้หลวงให้ให้ลวงพ่อฝากลูกศิษย์ไว้เวลาหลวงพ่อต้องการจะฉันก็ให้ลูกศิษย์เอามาประเคนให้ พระสะสมไม่ได้พระ ก, กินอาหารพอ อ, อาหารเหลือต้องสละไปแ้ว ถ, ถ, ถ, ถ้าถ้าซื้อเป็นเป็นสบู่ยาสะผมไปไปถวายพระนี่เป็นเป็นอะไรไหมคะได้ดีเป็นของมีประโยชน์ถ้าถ้าเป็นพวกสบู่นี่ถวายได้ทุกเวลารับได้ทุกเวลาสบู่แฟร์ยาซีฟันแปรงซีฟันเครื่องใช้ไม่สอยที่จาเป็นนี่ถวายได้ทุกเวลา ตอนนี้ก็ถวายได้สมมุตนไโย ม, มาอาหารตอนนี้ก็ถวายตอนนี้ก็ได้เป็ น, ปนยาแะ้อาหาร น, นี่ถวายไม่ได้อาหาร<อ>ต้องรอคุณดีเช้าใส่บาทหรือว่ามาที่ศาลาเป็นเป็นยาเป็นน้ํำพึ่งก็ถวายได้ใช่ไหมจ๊ะพ่ได้ยายาเนี่ก็ถวายได้น้ํำพึ่งก็ถวายได้แต่อย่ามากเพราะว่าพระร่ำได้ต้องเก็บไว้ได้ไม่เกินเจ็ดวัน<อ>ถ้ามากเกินไปก็วางไว้แลเดี๋ยวพระจะให้ลูกศิษย์แบบ ดีถาวายทั้งขวด น, นี้มันบางทีฉันไม่ไม่ไม่หมดภายในเจ็ดวันก็ต้องสละไปเก็บไว้ต่อไปไม่ได้เก็บไว้ได้เพียงเจ็ดวันน้ําตาลก็เหมือนกันของที่มีน้ําตาลก็เก็บไว้ได้เพียงไม่เกินเจ็ดวัน <S <S 2> <S 2> แต่ถ้ายาสามัญประจํา บ, บ้านนี่เก็บไม่ได้ตลอดเนี่ยยาแก้ปวดยาทายาอะไรต่างๆนี่เก็บไม่ได้ตลอดไม่มีกําหนดอายุ พระอาจารย์ยังพระอาจเจ้าะมีอะไรยังไพระอาจารย์เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นเวลานั่งภาวนาถ้าเรื่องที่มันกุ้งใจมันอยู่มันมันมันอยู่ในใจมันไม่ออกไปทําไงเจ้าค่ะก็ต้องพุทธโธไปแล้วสวดมนต์ไปอย่าไปสนใจสวดมนต์ไปเนี่ยสักพักมันก็จะหายไปถ้าเราไม่ไปสนใจอย่าไปคิดถึงมันให<ม>้อยู่กับบทสวดมนต์ไปแล้วอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธไป มันก็มันก็จะหายไปค่ะ <Okay. S 1> แต่ตอนเริ่มต้นมันไม่หายนะตอนเริ่มต้นมันก็จะคิดแข่งกับเรา mm hmm. ก็อย่าไปกังวลสวดไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายไปแค <Okay. S 1> ่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคอาท่านี้ก่อนนะเจ <Okay. S 1> ้าค่ะก็งเดี๋ยวขอไปที่ท่านต่อไปคุณสุชาดาเ mm hmm. หไคุณสุชาชาดา อยู่ที่ไหนได้ยินไหมคุณคุณต้องเปิดไมค์ก่อนกดตัวที่ไมค์กดอันมิวนะครับขอประทานโทษค่ะทัานอาจารย์ยอมก็เพิ่งครั้งแรกใช้อขอน อ, ขอนมสการท่รานอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะเมืองอะไร อ่าเมืองเพิร์ดค่ะอพิอยู่ตะวันตกนะค่ะแต่งงานเน อ, อมานานหรือยังนานแล้วค่ะอยู่มาแต่งงานอยู่ที่นี่หลายปีแล้วค่ะที่นั่นมีพระผาลังชื่อพระอาจารย์พรหมเนี่ยเ อ, อยมเคยไปวัดอ่าของท่านพระอาจารย์ชาแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นพระไทยไม่แต่ ลาฝ ร, รังอะค่ะเราท่านไม่ได้เทศไปเมื่อไหรไปใส่ปาดเราไม่ได้ฟังเทศสักทีก็ยมอยากมีคำถามถามท่านอาจารย์ค่ะยามเยถามได้ค่ะยมพึ่งจะฝึกทำสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจแล้วก็ ฟังพระพุทธวจนะแล้วก็ดูลมก็อ่ามันรู้สึกว่าที่โยมทำนี้ไม่รู้ว่าจะผิดหรือถูกหรือว่ายังไงมันก็เห็นเวทนาคืออ่าเวทนาตอนที่เราดูลมนี้มันจะมีเวทนาภายในร่างกายเนี่ยเกิดเกิดขึ้นเวลาเราไปดูตรงเวทนานั้นมันก็จะหายไป แล้วเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นใหม่ที่ต่างๆในร่างกายของของโยมนะคะแล้วก็เวลาดูดูลมก็ดูเวทนาดก็คิดว่ามันเป็นแค่เวทนาเหมือ น, นคล้ายคำ ว, ว่าเวทนานี้ก็คิดเพียงแต่ศัก์แต่ว่ามันเป็นบัญญัติมันเป็นบัญญัติแต่ถ้าเราเพ่งเขาเ้าไปดูจริงๆมันเป็นสภาวะมันเป็นยุบยับยับดูยุบยับๆ และที่นมันก็สลายมันสลายไปดับไปแล้วก็โยมก็มาดูลมใหม่แล้วก็เวทนามันก็จะเกิดที่ต่างๆอีกแล้วก็โยมก็ไปรู้เวทนาตรงนั้นอีกแล้วก็เวลารู้ไปโยมไม่ได้เจ็บนะคะเวทนาที่เกิดมันมันตอนแรกมันจะเจ็บพอเปรียวพิษเราเพ่งลงไปเพ่งลงไปมันจะยุ่ยย่ย่ำย่ำแล้วมืนกหายไปอย่างเงี้ยค่ะ คาจเวลานั่งสมาธินี้ไม่ควรจะไปดูอย่างอืงอ่นนอกจากดูลมอย่างเดียวในฐานะมันไ ม, ไม่ต้าไปสนใจองนั้นจิตเราก็วิ่งไปวิ่งมาไม่มีวันสบบได้ค่ะแล้วยมอยากจะทราบว่าเวลาเราจะลักศสักยะทิถีเนี่ยมันมันมีวิธีการยังไงคะมันต้องละยังไงคะก็ไม่ไม่ไปถือไม่ไปไม่ไปห่วงล่างกาย ไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปมันจะแก่กปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บไายได้ป่วยก็ปล่อยมันเจ็บคือคืออันนี้ค่ะโยมก็คิดมันคิดแต่ว่าจิตมันไม่เชื่อแต่เราต้องมีวิธียังไงที่จะให้จิตมันมันเห็นจริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะค่ะวิธีการดาเนินนั่งสมาธิให้จิตนั้นแยกออกจากร่างกาย เราถึงจะละสัจยะทิฏฐิได้ได้ต้องมีสมาธิก่อนแล้วถึงจะไปละได้โ อ, อ้ไม่ใช่แล้มันเป็นแต่ความคิดเท่านั้นคิดยังไงมันก็ไม่เชื่อใช่ไหมใช่ค่ะมันคิดมันเป็นแต่เพิ่มคําว่ามันป็นปรุงอะ่ะต้องแยกกายจับจิตด้วยสมาธิอนให้จิตนวมแล้วมันก็จะแยกออกจากร่างกายออกจาก<ต>วิทยาค่ะโยมต้องดูต้องนั่งสมาธิให้มัน จิตสงบก่อนใช่ไหมอันนี้ตอนอันอย่างอื่นไม่ต้อ ง, องทำอะไรสักอย่า ง, างเลยใช่ไหมคะไม่ต้องไปทําอะไรอย่างอื่นนั่งดูลมดูจุดเดียวอย่าไปสนใจอย่างอื่นเวลานั่งเวทนามัน<อ>้องไปวิ่งตามมันไม่ต้องไปลม<อ>ไม่ได้แล้วเราต้องตอนดูลมนั้นเราต้องอ่าเราต้องเห็นเกิดดับตรงนั้นหรือเปล่าคะเวลาดูเฉยๆดูว่ามันเข้าหรือมันออกอ๋อค่ะเหมือนนั่งดูดูรถไฟวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ย ขบวนนี้วิ่งมาขบวนนี้วิ่งไปลมก็เหมือนขบวนรถไฟเอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เข้ามาขบวนถ้าเรารู้สึกนะค่ะถ้าเรารู้สึกเวทนานั้นเราก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปจิตไม่ต้องวิ่งไปจับตรงเวทนาให้รู้ให้รู้อยู่ตรงที่ลมนั้นอย่างเดียวใช่อยู่จุดเดียวมันจิตจะได้นวมได้มันจะได้แยกออกจากร่างกายได้อ่าค่ะค่ะลองทํำดูนะค่ะ มีอะไรไหมไม่มีละค่ะดีใจมากค่ะค่ะบขอบคุณมากค่ะขอบคุณใจมากๆทำให้ทีมงานก็มีความสุขนะคะยัคงต่อไปนะจะให้คขอบคุณมากค่ะคุณสาวเลยคุณสาวเชิญคุณสาวอยู่ที่ไหนกล่าวมสักการณอาจารย์เจ้าค่ะอยู่กรุงเทพค่ะ มีอะไรไหมอ่ามีตัวค่ะว่ามาเลยคือคือยมพิจนาอสุภะแล้วก็คือตอนนี้เห็นแต่กระดูกไอ้เค่ะอ่าก็ดีไงแต่คือคือการพิจนาสุภะนี้ต้องเข้าใจว่าพิจนาเพื่ออะไรเพื่อด การอารมณ์เวลาเราเกิดการอารมณ์เห็นแฟนนี้อีกกลัการอารมณ์ขึ้นมาก็ดูโครงกระดูกรับให้นึกถึงโครงกระดูกครับอ้ น, น, บอ น, นี้เราฝึกนี้ฝึกไว้ให้มันอยู่ในใจเราต่อไปเวลาเราต้องการเห็นมันก็จะได้โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นได้แต่ตอนนี้ค่ะมันจะเห็นแต่เป็นกระดูกมันจะไม่พอพยายามน้อมเทียบพิจารณาแบบเป็นพวกศพเน่าอืดหรืออะไรเงี้ย มันจะมาเอาแวบๆแต่มันจะมาเป็นกระดูกก็ได้ครับแล้วยอมยมต้องยังทำยังไงต่อสม้าค่ะดูไปเรื่อยๆให้มันต่อให้มันต่อไปให้มันเวลานึกถึงมันมันก็ผล่ขึ้นมาทุกครั้งที่เราต้องการมันต้องพิจารณาตลอด24ชั่วโมงเลยหรือเปล่าเจ้าค่ะก็พิจารณาจนกระทั่งเราไม่ลืมเหมือนท่องสูตรท่องสูตรคูณว่าต้องท่องไปเรื่อยๆจนเราไม่ลืม พอเวลาเวลาจะใช้มันมันจะได้ใช้ได้ทันทีเราเตรียมเตรียมตัวไว้ก่อนเนะี่ยพิจารณาสภาพนี้เป็นการซ้อมไว้ก่อนเป็นการเอาภาพไม่สวยงามของร่างกายมาให้เราดูก่อนแล้วต่อไปเวลาเราไปรักไปชอบใครเราจะได้ไม่มองเขาไปก็ไปรักกระดูกเขาแน่นอนไปรักโครงกระดูกเขาทีนี้โยมโยมอ่านหนังสือของงพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้ ไห้แยกออกมาแล้วก็เอ่ออไปเผาแล้วก็ให้เวียนนาเป็นเป็นท่าดินท่าน้ำท่าไฟท่าลมแล้วก็ให้สลายไปอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งเม็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เพื่อให้เราปล่อยวางไม่ให้ไปเห็นไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเป็นตนมันเป็นเพีงดินน้ําลมไฟก็ค่ะก็คือโยงต้องพิจารณาตรงนี้ให้จนจนจนขึ้นจนขึ้นมันกินเกินสุดดินน้ําลมไฟในร่างกาย มันมาจากดินน้ําลมไฟแล้วเนี่ยมันก็ต้องกลับมันก็แยกตัวกันไปเวลาคนตายมันก็แยกกันไปต้นมันไม่มี่มันเป็นคนละเรื่องกันเรื่องดุปัสผะดูให้เห็นจะได้กลับดับการมโลมเวลาเกิดการมโลมด้วยส่วนดูร่างกายว่าเป็นดินน้ําลมไฟจะได้ดับความกลัวตายนะให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพีงดินน้ําลมไฟ แต่มันต่อไปได้จะ่ไหมเจ้าขา่ะหลวงตาก็ทําทําทํา ท, ทีละอย่างก็ได้ทําพร้อมกันก็ได้แล้วแต่เาคืออันไหนขึ้นมาเราก็าพิจารณาตรงนั้นไปอันนี้ถูกใช่ไหมถ้ามันไม่ขึ้นเราก็เราก็ต้องดึงมันขึ้นมาพิจารณาก็ได้คืเอเราทำการสอนใจให้เข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่น่ามึไปร่างกายของคนทั่วไปก็ไม่สวยงามพอมองเข้าไป ใต้ผิวน้ำก็จะเห็นครงกระดดกแต่ได้ไม่มีความรักใครกับใคร ไ, ได้อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีแฟนก็อยู่ได้ถ้าไเปเห็นเขาร่างกายสวยงามก็อยากเป็นแฟนกับเขาพอไม่ได้อยู่กับเขาก็รู้สึกเหงา้มนมอแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นโครงกระดูกล้วก็ไม่อยากทีอยู่กับเขา ทาอยู่คนเดียวเราก็จะไม่เหงาแล้วก็อยู่ได้สบายนะพิจนาสองอย่างไม่เหมือนกันนะพิจนาร่างกายแล้วพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเดี๋ยวก็ต้องตายเดี๋ยวก็ต้องกลับเกินสู่ดินน้ำลมไฟไปทุกคนก็เหมือนกันของคนหนึ่งก็เหมืของคนที่เรารักเช่นพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทไิ่เสหายเขาก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟร่างกายของเขา ตัวเขาไม่ได้ตายตัวของเขาเกิดจิตผู้ใช้ร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวที่คิดอยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นร่างกายตัวคิดตัวรู้นี้ไม่ใช่เป็นร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายอ่านไหมพ อ, อแล้ยังมีอะไรอีกไหมพอแล้วจ้ะค่ะกล่าวพระพุทธเจ้าค่ะ นทุกอยไปท่านต่อไปคุณพันชัยเหรอพันชัยครับกล่าวนมรสกการพระอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนคุณพันชัยอยู่ที่กาะสินนะครับอ๋อมีอะไรไหมก็ยังยังไม่มีครับอ๋อก็ฟังไปก่อนนะได้ครับโอเคเดี๋ยวไปที่ท่านต่อไปที่ยังไม่ได้พูดคุณจี๊ i p h o n น แมรี่แดนเป็นยังไงไปลงคะแนนเสียงว่ายังเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกล่าวนามสกานค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวย ม, ยมลงผ่านยมลงผ่านไปรษณีแล้วเจ้าค่ะเขาหลืเข้าไม่ให้น่ไปผ่านไปรษณียอ๋อทรัมป์พูดไปอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็มีแต่ถ้าถ้ายมดูซอง c ซ n เออยู่เขาก็จะบอกว่า ประธานาธิบดีไม่ควรพูดแบบนี้มันไม่มีกฎหมายข้อไหนที่ไปสั่งห้ามไม่ให้นับเพราะว่าเป็นสิทธิของประชาชนที่ส่งไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่เพราะว่าเป็นโควิดเขาก็พาหาเรื่องไปเรื่อยนะเพื่อจะได้ชนะ ใช่ค่ะเขาก็พูดไปแล้วขอบคุณทุกคนที่โหวตให้ตอนนี้เขาได้ที่ให้เขาเป็นประธานาธิบดีต่ออะไรประมาณนี้แต่ว่าผลบรรยังนี้ตอนนี้ตอนนี้ที่นี่เก้าโมงเช้าแล้วค่ะแต่ว่าเขาเพิ่งปรับเวลาให้ตรงกันกับเมืองไทยแต่แค่กลางวันกลางคืนตอนนี้เก้าโมงเช้ายังนับไม่เสร็จเลยค่ะเพราะว่าบางทีจ ะ, จะนับหลายวันด้วยกันอาจะเสร็จใช่ค่ะวันนี้คงจะทั้งวันน่าจะน่าจะอีกสักสามชั่วโมงก็อาจจะยังไม่น่าจะเสร็จนะคะเพราะว่า แต่ประธานาธิบดีบอกห้ามนับแล้วหมดเวลานับแล้ว oh ถ้าท่าประธานาธิบีทำแบบนี้ทั้งประเทศคงจะวุ่นวายหน้าดูเพราะว่า mm. หลายคนส่งไปไปแล้วอะค่ะโยมก็ส่ง mm. นะโยมส mm. <laughs> ไ, ไม่ได้่นะเพราะว่าไม่ถูกกฎหมายเขาจะยื่นไปฟ้องสูตรีมคอร์ทเนี้ย ใช่ใช่ค่ะก็จะมีพวกสนับสนุนเขาก็จะแบบเ yeah, ย่ใช่ทุกตอนประธานด้ปอดีสุดยอด <laughs> <laughs> โอยมก็ลกเ <c oughs> มื่อคืนคนกันดึกเจ้าค่ะเมื่อคืนก็นอนกันดึกเพราะว่าโรงเรียนปิดให้ให้แบบให้ติดติด ต, ตามใช่ไหมคะโ <Yeah. S 2> ยมกับลูกก็ดูกันถึงตีสามลูกก็แบบ แม่นี่นี่ตกลงไบเดนชนะใช่ไหมเนี่ยคะแนนเขานำอยู่บอกไม่ใช่ลูกมันยังไม่สึ้นสุดเลยเขาบอกทำไมเราถ้าทาไมาประธานาธิบดีบอกว่าเขาได้เป็นอีกแล้วล่ะเอาทำไมลูกหลูก็ลูกยอมก็แบบว้าวราประเทศเราจะต้องอยู่อย่างนี้ไปอีก4ีปีหรอแม่ออไรจะเกิดค่เกิดจะไปกังวลกังเลได้เราห้วม โยมก็บอกไม่เป็นไรหรอกลูกสี่ปีก็ไม่ได้แย่นะหนูก็ยังไม่มีสรริทธิเลือกตั้งเดี๋ยวร อ, ออีกสักแป๊บนึงมันก็คงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วละสี่ปีเดี๋ยวก็แป๊บๆ <c oughs> ลูกโ<ช>ยมก็บอกเออก็มานั่งพิจรารณาอะไรก็มันก็ไม่แน่ไม่นอนเอออานัตตาทุกอย่างก็เดี๋ยวก็อนัตตาอัตตาไปถืออัตตาเลยช่างมันจะได้ไม่ทุกเนี่ยแต่ไปยึดตย<อ>ิตทุกเน่ ค่ะส่วนเพื่อนโยมที่เมืองไทยก็บอกขออรุณลุนขอให้โชคดีนะอะไรเงี้ยโยมก็บอกเออเราก็ห่วงเมืองไทยเหมือนกันไอ้ข่างกันเท่าไหร่ <pairs> ที่การเมืองก็ร้อนแรงประเทศนี้การเมืองก็ยังตอนนี้ก็เริ่มร้อนแรงแล้วก็เลยแบบเออเอาใจช่วยสองประเทศเจ <pairs> ้าหน้ <S <S าทีน้นี้มีอะไรจะถามไหมคือโยมลองนั่งเราละช่วงนี้คือ ตอนแรกเวลาโ ย, ยมนั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์โยมจะแบบเหมือนกําหนดไปไปดูที่ลมหายใจแต่ว่าโยมคิดว่าโยมคงจะนั่งผิดหรือเปล่าว่าการที่ดูลมหายใจมันจะแน่นๆ่นหน้าอกแบบเหมือนกับว่าถ้าเราโฟกัสแบบว่าควบคุมการหายใจเข้าออกแล้วก็พุโทโธไปด้วยมันเหมือนกับมันจะหนักๆตรงช่วงนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอ เ, เราไปคิดมันเองว่ามันะ รอคะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่เราปล่อยจิตว่างๆแล้วเราแค่แค่นั่งแค่เอาแบบเอาจิตไปข้างในแล้วดูแค่ลมที่ผ่านมาอย่างนี้พอเวลาถ้าโลถ้ายมดูแค่ลมที่ผ่านมาไอ้คาว่าพุทโธมันก็จะไม่แมชกันมันก็แบบมันเหมือนจะไม่คู่กันก็ไดเอาเอาเอาอย่างได้อย่างนึงก็ได้ไม่งั้นก็คือปล่อยแล้วก็ใช้แค่พุทโธก็พอใช่ไหมคะไม่ต้อดูลมก็ได้ถ้ามีพุทโธก็ไม่ต้องดูลม ไม่ต้องดูลมก็คือดูลมก็ไม่ต้องพูดโทก็ได้แล้วแต่เราจะชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นค่ะค่ะงั้นก็คือโอเคงั้นโยมก็เข้าใจว่านึกว่าตอนแรกนึกว่าโยมทําผิดว่าเคยฟังท่ารูปหนึ่งเมื่อไม่นานมาเหมือนกันวิดดูวิดีโอท่านะคะท่านบอกว่าถ้าเกิดว่านั่งแล้วรู้สึกว่าแน่นหน้าอกหรือว่าแน่นที่หัวหรือหน้าผากแปลว่าเราตั้งใจนั่งผิดเหมือนเราไปเอาจิตไปไปคิดผิดทางอะค่ะ เหมือนกับไม่เราเจ็บมันเครียเนี่ยมันไม่เคยอยู่เฉยเฉเพราะมันอยู่เฉยมันก็เครียดขึ้นมาอ๋อแต่ทําไปเรื่อยๆมันก็จะนิ่งเองใช่ไหมคะทำเรื่อยๆเนี่ยมันก็หายไปค่ะแล้วเมื่อกี้ฟังอญาติธรรมคนก่อนหนะ้าที่เขาที่เขาพูดเรื่องอสุภคะค่ะพระอาจารย์ทีนี้การที่เราอาสุภะเนี่ยเราก็ถ้าเราเข้าใจอยู่แล้วว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายร่างกายมันก็คือถุง ถุงเนา่เนาๆถุงหนึ่งมันก็จะสลายไปทีนี้เราไม่ต้องพิจารณาได้ไหมเจ้าคะก็คือเรารู้อยู่แล้วแต่ว่ า, าจําเป็น<อ>ไหมปล่อยวางร่างกายได้เราก็ไม่ต้องพิจารณาพิจารณาก็ให้ปล่อยวางร่างกายอย่าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราของเราอย่าไปว่ามันสวยมันงาม น, นั่นเองอ๋อคือการไม่คือการ อ, ารอาสุภะนี่คือก็แล้วแต่เป็นทางเลือกที่เราอยากจะพิจารณ า, เ, ราเพิ่อเมเาเห็นร่างกายของแฟนเพายังน่ารักอยู่แล้วเราก็ต้องพิจารณาเห็นว่าไม่น่ารัก อันนี้ยมยมแม่ค่แต่ยมมาแค่ดูลูกๆค่ะลูกๆย่างน่ารักอยู่อันนี้อต้องเว่าข้างในมันก็ไม่น่ารักไม่น่าดค่ะเฉพาะเวลาที่เขาไม่ดื้่นะคะไม่ดื้อก็จะน่ารักแต่ถ้าดื้อก็มองอสุภะเลยก็ออสุภะ ค่ะวันนี้โยมมีคําถามเท่านี้ค่ะพระอาจารย์โยมไม่ได้มีอ้อ mm hmm. อีกคําถามหนึ่งใครคําถามหนึ่งช่วงนี้มันหนาวแล้วค่ะแล้วโยมเปิดทีเตอร์ในบ้านแล้วพอเริ่มหนาวแล้วก็จะเริ่มมีเออ่ผู้มาเยื่มมาเย็นคือหนูน้อยเริ่มมีหนูเข้ามาในบ้านแล้วทีนี้โยมก็เอากับดักค่ะที่เป็นดักแบบไม่ใช่ดักให้เขาตายนะคะดัก mm hmm. แล้วเขาก็าไปอยู่ข้างในทีนี้เมื่อคืนเหมือนรู้สึกว่าจับ จับเขาได้หนึ่งตัวแล้วบาปไหมเจ้าค้าที่ปล่อยให้เขาอยู่ในอยู่ในกรงประมาณแบบข้ามคืนเพราะว่ากาวะว่าจะเอาเขาไปปล่อยอ่ะค่ะพระอาจารย์ ม, มันมบาปไหมวันไม่บาปถ้าเขาไม่ตายก็ถือว่าไม่บาปอาอเขาไม่เขาไม่ตายแต่มันโยมก็โคเอสหลือนเราไปเอาเขาติดคุกหรือเปล่าเราจะบาปมเป็นชั่คราวเพราะว่ามันต้องใช้เวลาถึงจะมีเวลาสะดวกเมื่อไหร่อ็เอาไปปล่อยข้างนอ ค่ะก็คือเจตนาของเรามันไม่มันไม่ใช่ว่าการกระทํามันไม่ดีแต่ว่าคือเจตนาดีก็คือไม่ยินก็จะเพื่อไปปล่อยนั่นเองใช่จ้าค่ะที่เรารอเวลาก็ต้องรอไปก่อนค่ะเพราะไม่กล้าออกไปปล่อยตอนกลางคืนนะคะมองไม่เห็นก็เลยว่าน้อยมันสว่างมาแล้วก็ไปข้างนอกตอนนี้สว่างแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าจะออกไปแล้วค่ะเดี๋ยวรถไปที่ไกลๆหน่อยถ้าปล่อยใกล้ๆเดี๋ยวมันกกลับมาอีกใช่ค่ะก็กลัวว่า ต้องวันนี้ก็นั่งคิดไปปล่อยตรงไหนดีต้องขับรถเอาเข้าไปตรง ไ, ไหนดีแถวไหนที่มีสวนมีอะไรมีต้นไมกก้กขาปล่อยมันไปแล้วถ้าเขาไปเข้าบ้านคนอื่นนีเราผิดไหมคะไม่ผิดไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ได้ไปสั่งให้มันไปข้ามไปเองหอเอาเอาหนูมาแถวนี้ทําไมเดี๋ยวก็ามาปล่อยแถวบ้านเราต่อแล้วก็อย่าไปปล่อยแถวที่บ้านมีบ้านคน ไปปล่อยที่มันไม่มีบ้านใช่ใชค่ะเดี๋ยวไปปล่อยตรงเขาตรงนี้แถวนี้เขามีนิยารานกว้างเดี๋ยวคงไปปล่อยแ่านั้นอะจะได้ไม่ไปท่าความเดือดร้อนเสียหายให้คนอื่นอีกอาจารย์กรรมธรรสการขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์สาธุนะคะแล้วก็ขอโมทนาอนุโมทนาในบุญของพระอาจารย์ในธรรมทานนี้แล้วก็กับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสาธุอาจารย์ต่อไปคุณเอสเอ็มทีสามเจ็ดเจ็ดเจ็ด อยู่ที่ไหนเปิดไมค์ก่อนอัน u t e u n m e ตัวคาว่าอัน u t วโอเคกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะพูดดังหน่อยได้ไหมเสียงค่อยไปหน่อยค่ะกลบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนไต้หวันค่ะอยู่ไต้ห<ด>วันอยู่ ไ, ไต้หวันเมืองอะไรไเปแล้วอยู่อยู่เ อ, อ่อเมวลี่ค่ะเอ่อไกลจา<ง>กไทเปไหม ประมาณสองชั่วโมงค่ะถ้านั่งรถไปทํางานเหนือเรีว่าเป็นแม่ว่านแต่งงานมาค่ะค่ะอยู่นานแล้วเหรอเอออยู่นานแล้วค่ะลูกชายนนอากาศหนาวแล้วยังเริ่มหนาวยังเริ่มหนาวแล้วค่ะเริ่มหนาวมีอะไรจะถามแม่วันนี้มีค่ะคือตัวเองทํางานเกี่ยวกับเอ่อเปิดเอ่อทําร้านตัดผมนะคะ แล้วบางครั้งเราเหมือนกับลูกค้าเขาจะหาเรื่องมาคุยกับเราเย่างนี้ค่ะบางบางอย่างที่มันมันไม่เป็นความจริงแล้วเราพูดออกไปเนี่ยเหมือนกับตัวเองจะมีแบบตรงตรงกลางหน้าอกอ่ะค่ะเขาเคยเคยได้ฟังพระอาจารย์ท่านอื่นบอกว่าเหมือนกับศีลเขาตรวจสอบเราอ่ะค่ะจะมีวิธีไหนที่ว่าจะคือเขาจะหมุนติ้วติ้ต้อยู่ตรงกลาง อ, อะค่ะคืออยากจะ ก็รู้เฉยๆพูดโทรไปมันเป็นอะไรก็ท่องพูดโทพูดโทไปก็ได้พูดโทใช่ไหมครับเหมือนกับว่าไม่ทราบว่าพอเราพูดพูดพูดไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าพูดไม่ถูกหรือเปล่าหรือว่าคิดไม่ดีมันมันเป็นทุกครั้งที่เราพูดหรือเปล่าก็เฉพาะวันนี้นี่เป็นหลายรอบเลยอะค่ะหมุนหมุนแล้วเกี่ยวที่เราพูดกันได้ไม่เกี่ยวหรค่ะเือบางทีมันมันอาจจะมี อาการทางร่างกายหรืออาการทางจิตใจมันก็เราก็พูดทัวพูดทัวไปแล้วกันทําใจเฉยเฉให้รู้มันเฉยเฉไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ค่ะ <c oughs> แล้ ว, ลว ม, มันหายไปมันเป็นไม่เ <c oughs> ขาไม่เที่ยงอันนี้แจ้งเกิดแล้วก็ดับไปค่ะแล้วเมื่อจะพูดนั่งรอพระอาจารย์อยู่ก็จะที่หัวด้านบนนะคะเขาก็จะวูบวูบวูอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะเป็นเพราะจิตเราต้องกาอยู่เฉยเฉแล้วมันรู้สึกมันก็จะมีภาพทางขึ้นมามันก็เลย ทำมีอาการแปลกๆออกมาอแล้วก็เวลาทําอะไรเวลาทําอะไรไม่เป็นใช่ไหมเขาเขาจะมาครับ ไ, ไม่ค่ะเขาเขาเวลาทํางานอยู่ก็เป็นค่ะบงเขาจะมาแบบเป็นเป็นแบบไม่เป็นเวลาค่ะบางทีขับรถอยู่เขาก็เขาก็จะวูบมาอย่างเนี้ยค่ะแล้วอยา่างวันนี้ฝึกสติใช้สติใช้สติพุดโธ<อ>นะคะ อแล้วก็แล้วก็เวลานี้เขาก็จะมีอาการชอร็อตอะค่ะเหมือนกับไปชอ็อตลูกค้าชอ็อตจับรถก็ชอ็อตรถจนจนมีเสียงแป๊บแปอย่างเงี้ยค่ะก็ค่ะก็อาจจะมีไฟฟ้ามากเป็นไ ป, นปนในร่างกายเรา <c oughs> ไม่ทราบเหมือนกันจ้๊ค่ะก็ไม่ทราบว่าเออเพราะว่าเราศินพูดอะไรไม่เกี่ยวหรอไม่เกี่ยวหรอไม่เกี่ยว กลัวว่าตัวเองจะพูดอะไรที่มันไม่เป็นความจริงแล้วมันมันผิดแล้วมันไม่หรอกไม่หรอกเราเราเราเราต้องรู้เสียเวลาเราพูดอะไรเราพูดจริงนะไม่จริงเราต้องมีสติรู้ตัวอยู่ก่อนจะพูดอะไรต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังพูดความจริงหรือไม่แต่มันไม่เกิดจากอาการพูดพูดพูดเท็จหรอกพูดเท็จอย่างมากมันก็ทำให้รู้สึกไม่สบายใจได้ แตม่มีอาการเหลนี้อาการเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องของร่างกายเราหรือเปล่าหรือเรื่องของจิตใจเราถ้ามันไม่มันพอทนได้ก็ไม่ต้องไปกังวลกันอยู่กับมันไปค่ะเพราะว่าบางทีลูกค้าเขาก็ตั้งใจมาพูดให้เราแบบหมายถึงว่าเขาจะเอาเอาจุดด้อยของเราเพื่อที่จะมาข่มเราอย่างเนี้ยค่ะเขาพยายามหาเรื่องที่จะมาพูดอย่างเนี้ยค่ะแล้วบางทีเราเฉยเข้าไปเขาพูดไปไอ้เขาข่มไป อุปัชาย์บอกให้เราทำตัวเป็นอย่างไรกี่ริ้วเราจะสบายใจอยู่กับใครก็ได้เจ้าค่ะแต่เขาข่มนี่เขาไม่ได้ข่มครั้งเดียวค่ะเขาจะมาเป็นชุดเลยก็ไหวเขาข่มไปแล้วก็พูดโทรพูดโทรมาเราไปพายใจไอวก็พูดไปเจ้าค่ะดีใจที่เขามาเราจะได้มีรายได้เขามาเจ้าค่ะ ก, ก็คิดอย่างงี้เหมือนกันค่ะคือคิดก็วว่าเขาเป็นครูเพื่อที่จะสอนธรรมะของให้เราอะค่ ะ, คะใช่ค่ะ พระบอกให้ทำตัวให้ทาตัวให้ต่ำที่สุดทำตัวให้เป็นปัตตภีแล้วจะสบายใจแ่้วจะดูถูกเหยียดย่าเราไงแล้วก็เฉยได้เจ้าค่ะอีเท่านี้เหรอมีเท่านี้ค่ะโอเคอเข้ามานี้ข้างแรกอย่างใช่ไหมไปเข้ามาตั้่มุ่งที่สองเจ้าค่ะตอนนี้สองนะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวติดตามฟังไปเรื่อยๆนะเจ้ค่ะ แบบประตูจะขาดอาจารย์รู้สึกหมุนแล้วนะที่มา ท, ที่ดูไม่แต่คนที่มาฟังแต่ไม่ไม่ไม่ไม่ต้องการออกเสียงมีทางเฟซเฟซบุ๊ก ค, ครับมีคําถามเจ้าค่ะอาจารย์ถามได้อ่ามีคําถามหกคาถามจากทางเฟซบุ o กเจ้าค่ะคําถามแรกจากคุณฐาปุณย์ยิสา อยากถามพระอาจารย์ค่ะว่าการฝึกสติในชีวิตประจำวันเราฝึกหัดได้ยังไงบ้างคะก็ให้มีให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรให้อยู่กับการกระทำอย่าไปอยู่ที่อื่นเช่นเรากำลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันเรากำลังล้างหน้าก็อยู่กับการล้างหน้ากำลังรับประทานก็ให้อยู่กับการรับประทานอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นนี่แล้วเป็นการฝึกให้มีสติ จิตคือให้ใจอยู่ในปัจจุบันนั่นเองคำถามที่สองจากคุณเบลพานุพงศ์สุดใจพระอาจารย์ครับผมทำสมาธิบ่อยขึ้นหลังจากออกมาทำงานมันรู้สึกซึมเหมือนคอยจะลงไปเงียบสงบอีกบางทีคุยกับใครเสร็จมันก็ตัดกลับมารักษาใจตัวเองบ่อยๆครับควรทำอย่างไรดีมาถูกทางหรือเปล่าครับ เดีวก็เราต้องคอยดูแลรักษาใจของเราไม่ให้เกิดอาการพยศขึ้นมาให้ใจมันนิ่งให้มันสงบไม่ให้มันเฉยเฉยไม่ให้ไปมีปฏิกิริยากับใครให้รับรู้เฉยเฉยคำถามต่อไปจากคุณสุภาตั้งแต่นั่งสมาธิแล้วจิตรวมหนึ่งครั้งเมื่อสิปีก่อนก็สามารถรับรู้อารมณ์ผู้อื่นได้ดีไหมคะ รับรู้อารมณของผู้อื่นนะดีดีดีหรือไม่เนี่ยคเป็นการนั่งสมาธิของเราที่เราไม่ต้องการไปรับรู้เรื่องของคนอื่นเราต้องการให้จิตสงบแต่ถ้าไปรับรู้ก็ให้รู้ว่ามันเป็นความสามารถพิเศษก็แล้วกันแต่อย่าไปสนใจมันจะดีกว่าพยายามมุ่ง ม, มาที่ทําใจให้สงบให้นิ่งดีกว่าคำถามต่อไปจากคุณจําไม่ได้ การที่เราดูลมหายใจบ่อยๆในเวลาที่รู้สึกตัวจนกระทั่งถึงตอนที่นั่งสมาธิข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าเหมือนมันดูดๆนานๆครั้งจะรู้สึกว่าจิตนี้อยู่ที่ปลายจมูกแต่ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถรับรู้ลมหายใจเข้าออกได้ทั้งที่จิตไม่แสบสายอาการแบบนี้คือข้าพเจ้าสติยังไม่เพียงพอใช่หรือไม่ครับ หรือ<ช>ข้าพเจ้าต้องทําค่ะต้องให<ำ>้มัน อ, อ, อ, อยู่กับอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวถ้ายัองอยู่ไม่ได้ก็ใช้ท่องพุโทโธไปก่อนพุโทโพุโทโธพุโทโธพุทโธไปอย่างนีส้สติไม่จะมีแล้ว ต, ต่อไปให้ดูลมก็จะดูลม อ, อย่างเดียวได้ข้าพเจ้าต้องทนเช่นไรจึงจะจิตนิ่งในจุดที่กําหนดและรู้ลมไปพร้อมๆกันครับ คือให้รู้อย่างเดียวไงถ้าจะรู้ลมก็รู้ลมถ้าจะรู้อยู่ในสิ่งที่เรากําหนดก็ให้อยู่กับสิ่งนั้นเช่นพุโทโธอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องลมได้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปคําถามต่อไปจากคุณถาคนที่ไม่เคยปฏิบัติตคําว่าฝึกสติที่ครูบาอาจารย์สอนฝึกยังไง มีอุบายยังไงบ้างเจ้าคะในอิรยาบทต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันเจ้าคะ่ะคือเราต้องการดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าปล่อยให้จิตไปคิดถึงกรุงเทพคิดถึงเชียงใหม่คิดถึงพรุ่งนี้คิดถึงเมื่อวานนี้ด้วยการบังคับให้มันอยู่กับร่างกายให้อยู่ว่าให้เฝ้าดูว่าร่างกายกําลังทําอะไรกํราลังอาบน้บํากําลังล้างหน้ากําลังแปรงฟันนี้ก็ให้อยู่กับางานที่เราทำอยู่ อันนี้เรียกว่าการฝึกสติในเอเรียบทที่เราใช้กับร่างกายหรือถ้าเราจะท่องพุโทโธพุโทโธก็ได้อันนี้ก็เป็นการฝึกด้วยการใช้พุโทโธพุทธานุสติเป้าหมายก็คือให้จิตหยุดคิดให้จิตรู้เฉยเฉยให้รู้อยู่ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ถามสุดท้ายจากคุณกัลยาณีเรียนถามพระอาจารย์ค่ะช่วงนี้มีหอยทาก มากเราเหยียบโดยไม่เห็นบาปไหมคะถ้าไม่มีเจตนาไม่บาปนะแต่ข้าให้ฝึกสติหน่อยให้คอยดูระวัดระวงังอย่ารีบร้อนถ้ามันมืดก็หาไฟฉายส่องดูก่อนก่อนที่จะเหยียบถ้้คิดว่าถ้าเกิดมันเป็นงูเราจะทำยังไงนะเราก็ต้องระมัดระ ว, ะวงังคำถามหมดแล้วเจ้าคะ่ะโอเค มีใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นแล้วก็พูดได้เลยนะที่สดว่าทุกคนได้ถามท่านทุกคนแล้วตรงนี้ก็เปิดโอากาสให้ใครอยากจะถามซ้าอีกรอบสองก็เชิญถามได้อคุณเมทัชินนะฮะใช่ใช่พูดได้เลยได้ยิยนไหมครับนวัส ก, การครับาอาจารย์เอออเาจารย์ครับเวลาเวลาเอ ทำความรู้สึกตัวหรือว่าเวลารู้สึกตัวเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ในนั้นนะครับอาจารย์อ๋ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เรายัางไม่ต้องไปกังวลเรื่องตัวตวนตอนนี้ให้หนึ่งให้มีสติบ่ให้มี ส, ต, ต, มส ต, มติให้ควบคุมจิตให้อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ร่างกายให้ได้ก่อนอย่าปล่อย้นไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วค่อยพอได้สติแล้วเราค่อยมาแก้ที่ตัวตนต่อไปด้วยการสอนจิต ก็คือเราก็ต้องดูความรู้สึกไปอย่างนั้นใช่ไหมครับพานันคือเบื้องต้นก็ต้อง ด, ดูดูดูที่การดูร่างกายถ้าเราเคลื่อนไหวทําอะไรก็ให้มีส ต, ติดูร่างกายไปอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เองกำลังทํางานอะไรอยู่ก็อยู่กับงานไปให้อยู่ในปฏิบัติแล้วต่อไปก็ต้องมานั่งสมาธิ นั่งสมาธิก็ท่องพุโทโธไปแล้วดูลมหายใจเข้าออกไปเป็นกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิแล้วเป็นมีวเบากาหลังเนี่ยหลังจากนั้นถึงจะมาสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นน้าหลูไปเราไปคิดมันเองว่ามันเป็นตัวเร า, เราครับอาจาใจนะครับมีอะไรอยู่ไหมอไม่มีแล้วครับอาจารย์ครับโอเค ท่านต่อไปมีไหมคุณวิชน ต, นตอนนี้ยังไม่มีใครยกมือครับไม่มีเดี๋ยวจะได้ว่าให้พรมีคำถามจากทาง YouTube เจ้าค่ะ อ, ะอะจากคุณสุนเจิ้นเจ้าค่ะผมมีอุเบกขาเป็นตัวยืนแล้วเอาสติมารับรู้ผัสสะได้ไหมครับ รับรู้เฉยๆได้อยู่อย่าไปตอบโตอย่าไปมีปฏิกิริยากับภาษาทั้งหลายได้ยินเสียงเรสักแต่ว่าได้ยินอย่าไปดีใจเสียใจกับเสียงออจากท่านเดิมเจ้าค่ะถ้าจิตเราอยู่เหนือรูป ก, กระทบทางอายตนะห้าได้บ้างแล้วเราจะสามารถทำสมาธิชานได้ไหมครับไม่เข้าใจความหมายเราอ่านไหม่ ถ้าจิตเราอยู่เหนือรูปกระทบทางอ า, อายตนะห้าได้บ้างแล้วเราจะสามารถทําสมาธิชานได้ไหมครับก็ลอง ท, ทอําดูเถอะเวอจะทําสมาธิก็ต้องดูลองหายใจก็เลือพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวก็ลองทําดูดูว่าจะได้หรือไ ม, ไม่หมดแล้วเหรอขัน ถ, ถามหมดแล้วเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามไม่เชิญนะ ไม่มีก็มีคุณคุณกล้องครับคุณกล้องเอาว่ามายินไหครับอาจารย์อ่พูดดังๆเลยอ่าพระอาจารย์ไินไหครับค่อยมากเสียงค่อยมากอครับองลอลองถอนไอ้นี่ออกใช้ใชกับของเครื่องดีกว่ามัพูดมาได้ยินไหครับอาจารย์ได้ยินนะ พรอาจารย์ครับอสมมติว่าเราเรียนจบแล้วอายุยี่สิบกว่าอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเราจะไม่บวชครับแต่ว่าเราก็แบบศึกษาธรรมะก็ส่วนมนต์้องสมาธิไปบ่อยๆอย่างเงี้ยครับถามพระอาจารย์ว่าเราจําเป็นต้องบวชไหมครับให้พ่อแม่อย่างเงี้ยก็ธรรมเนยียมเขาก็เชื่อว่าต้องบวชแต่ความจริงการปฏิบัติมันก็เป็นการบวชแต่มันบวชใจ แต่ก็แล้วแต่ว่าถ้าเราต้องการตอบแทนคุณยืนคุณพ่อแม่เรามำเงินเราก็ต้องไปบวชแต่ถ้าเราต้องการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ต้องบวชก็ได้ถ้าเรายังไม่พร้อมที่อย่าบวชบางทีก็ผมรู้สึกว่ากลัวว่าสมมติไปบวชแล้วเราจะแบบเราจะ่ตื่นไม่ไหวหรือทําอย่างที่พระเขาทำไม่ได้หมดเนี่ยค อก็ลองไปหัดอยู่ก่อนจะไปบวชเขาจะให้ฝึกก่อนไงวันที่เขาจะให้บวชนี่เขาให้ไปอยู่เป็นผ้าขาวทั้งอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนดูว่าทําได้หรือไม่ mm hmm. ถ้าทําได้ก็บวชได้ให้ไปซ้อมก่อนไปฝึกซ้อมก่อนเรียกซ้อมนาซ้อมน่ะเป็นนานก่อนนุ่มขาวห่มขาวที่วันหย่า น, นี่ก็ให้อยู่ทั้งเจ็ดวัน ภาร ก, กิจ먼ก่อนมาอยู่แบบพระตืน่นเช้าพร้อมกับพระทำภารกิจพร้พอมๆกับพระไปที่ที่วัดยาเนี่ยมีรถมีรถประจาทางไปถึงนะผมอยู่บางแสนครับจากกรุงเทพหรอผมอยู่ที่บางแสนชลบุรีครับแต่ว่าผมผมไม่มีรถก็มีรถตู้ลองลองติดรถตู้ที่วิง่งผานบางแสนอเลยต้องเอาจะต้องออกจะไปขึ้นที่หนองบนต้อง ไ, ไปถามชาวหนองบนดูว่ารถตู้วิ่งผ่าน้ สติหิม ต, ต้องขึ้นไป เ, เพราะว่าต้องเลยพัทยามาหน่อยต้องอยู่ระหว่างพัทยากับสติหิมแล้วก็พอถึงทางเข้าวัญญานก็ลงแล้วก็อาจจะเอหมาโมเตประสซยเข้าไปเรือ่อบางที่เป็นลงที่บ้านอำเภอก่อนจะถึงทางเข้าวัดยานดีกว่าเพราะทางเข้าวัดยานอาจจะไม่มีรถเหมาเข้าไปก็ แถวบ้านอำเภอกาหมู่บ้านบ้านอำเภอที่เราไปบินตบาดเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมีอะมอเตอรสไซค์รับจ้างให้เขาส่งเราได้ถ้าถ้าลองไปอยู่แบบคับเคิร์นแบบนี้ได้ไหมก็ ต, ต้องไปติดต่อกับพระ ด, ดูก่อนว่าเราจะอยู่แบบไหนมีอยู่แบบเขาได้หรือเปล่าเขาอยู่กันยังไงหรือปกติทางว่าช่องก็มีที่พักให้อยู่ แรู้สึกว่าจะให้อยู่อย่างน้อยสามคืนแล้วมันนุ่งขาวขาวสามคืนแล้วก็ปฏิบัติตื่นเช้าลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์อะต้องโทรโทรไปถามสำ น, นัก ง, งานของวัดของวัดให่างเรต้องการจะจองทีครับโ <Okay. S 2> อเคแล้วมีคําถามเพิ่มจากทางเฟ e บุ๊กเจ้าค่ะ อ เ, เอาชนะความโกรธอย่างไรดีเจ้าคะจะทำอารมณ์ได้อย่างไรดีเจ้าคะก็อยอมแพ้ยอมหยุดยังแพ้เป็นพระชนะเป็นมารหรือว่าให้อภัยอย่าไปถือโทษโกรธเคืองเขาเพราะว่าสิ่งที่ก็ททำก็ทำผ่านไปแล้วไปโกรธก็เสียสองแดงขาดทุนสองแดง ยาวขดทุนเด่งเดียวยามแพให้เขาให้เขาทำอะไรไปรก็ไม่ต้องไปตอบโตงมันก็เสียเด้งเดียวไม่ต้องไปเสียใจหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้ก็มีต้องมีปัญหาบ้างอยู่กับคนก็นอย่างนี้เดี๋ยวก็กพูดหรือทำอะไรให้เราเสียหายได้แต่เราอย่าไปสาวความยาวว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมา แผ่เมตตาให้อภัยไปคำถามต่อไปเป็นคารวาสสามารถบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าคะได้ใครก็ได้ถ้าปฏิบัติทำได้ก็บรรลุธรรมได้ต้องปฏิบัติสิน์สมาธิปัญญาให้ได้ปัญญาบรรลุธรรมได้คำถามต่อไปจากคุณลัตนาขอถามค่ะสติปฐานสี่กับการเรียนอุปจารสมาธิแตกต่างกันอย่างไรคะ สติปัฏฐานสี่ก็มีสอนวิธีเจริญสติแล้วพอได้สติได้มันนั่งสมาธิให้เกิดได้อัปปนาสมาธิไม่ใช่อุปจารสมาธิอปปนาสมาธิอุตวะอุปจารสมาธินี้ไม่ใช่เป็นสมาธิที่เราต้องการคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะคหมดแล้วเนะี่ยมีท่านใหม่เพิ่มเข้ามาในห้องใหม่ท่านหนึ่งคุณคุณวันธิดานะะ คุณวานิดาพูดได้เลยครับขอบนมัสการค่ะพระอาจารย์เออว่าอย่างไรแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปีเบิดเนะคพระอาจารย์ว่าจะไปบอกหรือเปล่าเอานัดโทมาบอกค่ะเพื่มเพิ่มปิติทะองฟ้าอ๋อไปไปดูแลแม่เลอ ก็ค่ะพอดีคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอะคะอ่ะเอก็เลยแล้วยังนนทําทำอยู่ยังทำต่อ อ, ออยู่ว่ะยังยังรับไซร์ไลนย์อยู่เหมือนเดิมค่ะอ่ะอาทำที่บ้านได้ก็ค่ ะ, คะพอดีเอางานหน้าคอมมาทะะําอะค่ะก็ค่ะอ่อเคมีอะไรไหมก็ออยังฟังยังฟังพระอาจารย์แต่ว่าการปฏิบัติยังยั ง, ย, งยังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะคะ่ะ แต่ว่าก็รู้ตามอยู่ที่คําสอนทุกอย่างที่ว่าอาจารย์สอนก็เอามาลองเอามาปฏิบัติะคะ่ะแต่ว่ายังรู้สึกว่ามันยังไม่พยายามพูดถอพูดถอไปเจ้าค่ะปลกความคิดควบคู่ความคิเลยเจ้าค่ะมันยังสะสมมันสะสมทำบุญทำทานทำกำลังไปเจ้า่าาาาะพระอาจารย์ ลูกขอให้พระอาจารย์ธาตุันแข็งแรงนะเจ้าคะ่ะสาธุจ้ะขอให้คุณแม่หายนะถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ขอให้หายจิตใายไข้นะสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเจ้าค่ะโอเคไม่มีอะไรจะถามนะไม่มีคะ่ะเพราะว่าปฏิบัตยิยังยังยังยังยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะคะโอเคอ่ะ กลับฝากทูเจ้าข่าพระอาจารย์บางที่็จะได้กลับมาอยู่ทางนี้กันต้องรอให้เสร็จภารกิจทางแม่ก่อนนะใช่ค่ะเพราะว่ามะเร็งต่อมน้าเหลืองคุณแม่ก็ให้คีโมไปเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะอืก็อก็ดีทําบุญกับแม่ไปก่อนนะนี้เจ้าข่าพระอาจารย์แม่เป็นผ้าฐานของลูกๆนะทําบุญกับแม่โอเคขอให้นี้ก่อนนะกลาบขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากเจ้าค่ะสาธุ คุณสุภัตาใช่ไหมคะ่ะครับคุณสุภัตาครับแล้วก็ส่งไปคุณสุภัตาก่อนเด็กๆรอเดียวน ะ, ะเจอคุณสุภาตากับกับน้ำมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามวันนี้เจ้าค่ะเข้ามาทักทายพระอาจารย์ทีมาซ้ายหน่อยคนระใช่ค่ะตอนนี้เวลาเปลี่ยนใหม่เจ้าค่ะตอนนี้ก็เลยอยู่ตอนนี้หลังพระอาจารย์<ม><ม>หนึ<ม>่งชั่วโมงเร็วขึ้นเล่อยนะเร็วใช่ค่ะก็เลย อาทิตย์ที่แล้วไปทําฟันแล้ววันนี้เขามาทําหลังคานะเจ้าค่ะก็เลยวุ่นอยู่เลยเข้ามาช้าแต่อยากเข้ามากราบนมัสการพระอาจารย์นะเจ้าค่ะินดีสาธุยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งค่ะเราปฏิบัติต่อไปนะค่ะพยายามฝึกค่ะยิ้มบ่อยๆเจอใครก็ยิ้มยิ้มก่อนพยายามเนะก่อนพยายามเดี๋ยวเรายิ้มไปก่อน ยิ้มชนะมีชนะทุกอยางเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าสามีเขาก็มีเรื่องไม่สบายใจช่วงนี้คือมันมีเรื่องเข้ามาเยอะค่ะก็คงเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ช่วยช่วยก็ช่วยช่วยกับเขาไปหมายถึงว่าช่วยให้กําลังใจเพราะเราเราคงให้อย่างอื่นไม่ได้บอกก็บอกมักน้อยสัมโดนะพราะพุทธเจ้าบอกให้มักน้อยสัมโดนค่ะไปใช้น้อยลดลงมาต้องลดการใช้จ่ายลง เด้อค่ะอย่าไปใช้เท่าเดิมแล้วรายจะรายลายรับมันน้อยมันก็ไม่พอใช่ไหมตับตัวดได้วมาอยู่แบบพลาดูแต่กินวันละมือไม่ตายกินไเครียดกินสายมืแล้วเป็นเครียดกินมือเดียวก็ไม่เครียดดีกว่าใชเด้อค่ะก็กำลังลุ้นลุ้นเลือกประธานาธิบดีกันอยู่เนี่ยค่ะว่าใครจะได้ดยกันรู้ดวกรู้ เขาทำอะไรไม่ได้ใครใครชนะมันก็เป็นเรื่องของเขาสิใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ยิ้มแบบยิ้มแบบที่พระอาจารย์สอนนะเจ้าค่ะก็ยิ้มให้กําลังใจเขาคือยิ้มเขาจะได้สบายใจอย่างเดียวเราไม่ต้องลดเครียดกันี้คนในการเครียดยังไงนะเนี้ยนอนนอนพอดีเละแต่ลูกก็ยังนิสัยเสียอยู่เจ้าค่ะคือคือ ตามสติไม่ทนนะันอ่ะบางทีก็บางทีก็เผลอหลุดพูดออกไปเจ้าค่ะมันปากมันยังไวกว่าสตินี่ใส่ไม่ดีลองลองปรับกันบ้างเวลาทําอะไรผิดเอาปรับสักร้อยบาทเอาไปทําบุญที่วัดเจ้าค่ะแล้วมัไม่ได้ลงโทษมัน ก, มนก็มันก็ไม่จำไม่จดไม่จํำเ<า>จ้าค่ะใช่ค่ะต้องสังเกตมา ประมาณสามสี่ครั้งแล้เจ้าค่ะปากไวไม่ดีเลยเวลาเราขับรถผิดกฎหมายเขาตํำรวจก็ให้ให้ใบแล้วะให้ใบสั่งแล้วก็ต้องให้ใบสั่งจดลอยอีกบ้างไปทําบุญได้หนึ่งร้อยบาททุกครั้งทําผิดก็ทําบุญหนึ่งร้อยบาทเอาไปมันก็จะไม่อยากจะทํานะทําผิดนะสาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะลองดตัวเองบ้าง เจ้าค่ะเป็นเทคนิคที่ดีเจ้าค่ะลูกลูกต้องหาวิธีทางลงโทษตัวเองเจ้าค่ะปากไวไปหน่อยบางทีก็รู้ว่าเขาไม่ค่อยสบายใจช่วงนี้พออารมณ์เขาขึ้นลูกก็บางทีมันปากมันไปก่อนสติแล้วก็อุยตายแล้ะสติจาเยะจังเรา <laughs> อะไรเงี้ยค่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวลูกจะพยายามหาเทคนิค ทำโทษตัวเองหน่อยจะได้จะได้มีสติดีขึ้นเจ้าคะ่ะอดข้าวเย็นก็นได้นะอดข้าวเย็นตอนนี้ลูกลู ก, ลกอดจันถึงสุกลูกจะไม่ทานหลังเที่ยงเจ้าคะ่ะมาสองปีแล้วเจ้าค่ะมาสองปีแล้วก็พยายามถือสินแปะแต่ว่ามาปีเนี้นะคะ่ะก็คือต้องต้องขึ้นมานอนบนที่นอนกับสามีเพราะว่าช่วงโควิดแล้วรู้สึกเขาเครียดเยอะอะคะ่ะเจ้าคะ่ะลูกก็เลยเลยต้องงดเรื่องนอนบนพื้นนะคะเจ้าคะ่ะก็มาขึ้น เตียงเจ้าค่ะใกล้ๆเขาเรายังมีหน้าที่แม่บ้านอยู่มาทําหน้าที่แม่บ้านไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกจะหาเทคนิคเจ้าค่ะลลงโทษตัวเองจะได้จะได้มีสติจะได้เขียนลาบเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพยายามฝึกเจ้าค่ะเนเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปคุยกันอีกเจ้าค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสองคเข้ามาค่ะ มาโยมามาเปิดมาแล้วยังมาเปิดแล้วค่ะค่ะค่ะ Happy birthday ครับค่ะ Happy birthday ค่ะขอให้เรื่วเรื่ยเปื่อยค่ะค่ะจะได้อยู่เป็นลมโพลมใสให้กับพวกหนูสามคนนะคะค่ะวันนี้จะเป็นพรุ่งนี้จะเป็นวันสอบค่ะ ก็เลยมารับพรเผื่อพุ่งจะได้มีมีปัญญาที่ดีการสอบค่ะในวันที่เก้าวันกันหน้าแล้วก็วันศุกร์ด้วยค่ะก็ดูหนังสือเยอะๆสียนะพรนั้นนี้ก็เกินดูหนังสือเนี่ยแหละตอนนี้กำลังดิวอยู่ค่ะและกับเพื่อนติววาอยู่ตอนนี้ค่ะดหนังสือเยอะ ดิฉันะถือแวนมากับผ้าแก้วมีใครอยากจะถามอะไรไหมจสแล้วออสาธุครัทุกสาธุอ่าสาธุนะอ่ะันยันขัดขา ด, ดไม่ค่อยได้ยินเลยนะสาธุยัญไม่ค่อยดีสาธุน้ำม่าสาธุสี่ <laughs> อนนี้ีวามสมากนะัญญามันสาดขาดนะอ่าัญญาขาดหรอคะือมีความสุขมากๆนะเอ่เสาระัท์หรพระจานทร์หรอะสากิจะไปกราบพระร์อพระจร์อ่คจะไปกราบค่ะอ้าวได้จะดยว่ันี้เาจาระันทร์ที่สุโขท่ ครับอาซาทูซาทูอ่าใช่ไม่มีถ้าเราไม่กวนพระจันนะใช่ค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะอ่าดีเราฟังไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวฟังท่านอื่นค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะซาทูค่ะเดี๋ยวจะมีคุณ IPDGRPR นะฮะอ่ คนสุดท้ายเป็นคนครับ IPD ครับน้ำมันสกัรค์ค่ะทำอาจารย์ยมจากเยอรมันค่ะมาท้ายสุดพอดีเลยหายไปหลายอาทิตย์เหมือนกันเลยนะไม่ค่ะจริงๆอาทิตย์ที่แล้วก็เข้ามาค่ะได้ตั้งคำถามด้วยเวทความมันเกิดอาจารย์ย้อนหลังค่ะให้ธาตุอาจารย์แข็งแรงอยู่เป็นที่ปรึกษาให้พวกเราไปอีกนานๆค่ะสาธุ มีค่ะมีค่ะพระอาจารย์คะโยมคิดว่าโยมติดสบายในสมาธิอย่างมากเลยค่ะตอนนี้ที่พระอาจารย์แนะนําว่าให้โยมค o n c e n t r a t จุดว่างๆตรงกลางที่มันเป็นพงยืดหยุ่นนะคะพระอาจารย์บอกว่าให้โยมดูตรงกลางทีนี้บางทีมันโยมก็สติไม่ค่อยดีอะค่ะไปดูไอท้ที่ไอ้พงที่มันแบบใส่จางขึ้นขยายตัวขึ้นขยายตัวขึ้ น, ยยนแล้วก็ สบายละเอียดละมุน ล, ละม่องอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็บางทีก็ลืมตัวไปเหมือนกันเคล้มๆไปอย่างนี้คพอรู้สึกตัวก็ดึงมาอยู่ไอ้ตรงที่มันว่างๆตรงกลางอะคะ่ะพระอาจารย์มีเทคนิคอะไรไหมคะที่เราไม่ให้เราไปติดไปกบับความสบายมากเกินไปอะคะ่ะเอาสติมาอยู่ไอต้ตรงตรงกลางๆที่มันว่างๆอยู่อะคะ่ะเงยถ้าเราเวลานทําสมาธิมันก็ต้องก็ต้องให้มันว่างให้มันสงบ แต่แล้วอย่าไปทําสมาธิอย่างเดียวบางช่วงเราก็มาทําปัญญาบ้างมาพิจารณาตายลักพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงก่อยแก่เจ็บตายเป็นดินน้ําลมไฝไม่สวยไม่งามอย่างนี้เป็นตน้นตอนไหนคะที่เราควรจะควรจะพิพจารณาอย่างเนี้ยคะตอนที่เราเอ่อตอนที่ไม่ได้เวลายมทํานะคะต อ, ต, อตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิเอ้อ ทำอะไรก็พิจารณาได้ถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดกับพิจารณาดูร่างกายของเราดูร่างกายของคนอื่นเขาบอกเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเห็นตัวเราเป็นเพียงดินน้าลมไฟไม่สวย<ม>นีย่นะยมนึกว่าต้องต้องพิจรารณาหลังจากที่จิตมันถอนออกมาแล้วค่ะมันจะมีุดเรื่องที่เราไปลอยๆแบบรู้จุดเดียวอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วพอสัก มันจะอยู่ได้ไม่นานนะคะรู้สึกว่าเหมือนเป็นมือใหม่หรือยังไงไม่รู้ว่าค่ะมันจะไปรู้สึกอยู่อยู่อย่างนั้นกะเวลาไม่ได้ค่ะแล้วพอออกมาเราจะรู้สึกว่าเราเริ่มปวดขาเราเริ่มเน็ตเราเริ่มอะไรแล้วอย่างนั้นนะคะอะ่นั่นแหละพอออกมาแล้วก็พิจารณาทางปัญญาได้ตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมคะค่ะแต่เวลาอยู่ในสมาธิไม่ต้องไปพิจารณาให้อยู่เฉยๆ ใ, ให้รู้เฉยๆค่ะอันนที่นั่ นั่งสมาธิก็แม่มันสงบมันก็ต้องสงบค่ะบางครั้งนะคะท่านอาจารย์โยมเกิดความคิดขึ้นในสมาธิอ่ะคะ่ะแล้วโยมเคยเห็นแบบเคยรู้สึกสองครั้งนะคะไม่ใช่ว่าเห็นก็คือโยมเห็นความคิดนะคะมาเป็นภาพเหมือนภาพถ่ายถ่ายมาเป็นภาพเป็นภาพนิ่งอะคะ่ะ สมัยเราเป็นเด็กสมัยเราเป็นวัยรุ่นสมัยเราเป็นนักเรียนอะไรค่ะมันก็จะผ่านไปแต่พอเวลาเราติดใจภาพไหนหรือเอะใจอย่างเงี้ยค่ะมันก็เอะใจภาพนี้มันดูดเข้าไปกลายเป็นจักภาพนิ่งๆกลายเป็นหนังไปเลยค่ะพระอาจารย์มันเป็นมันเป็นสัญญาณการจำค่ะย้อนอดีตไปแต่้าเราต้องให้มันทำอย่างนี้ก็ใช้พุทโธพุทโธอยู่ค่ะแสดงว่าสติยมไม่ได้อยู่กับ สมาธิกัใช่ไหมค ะ, คะอย่างนั้นจิตให้มันทำงานให้มัน <คะ S 1> พฝันไปมันก็มันก็ย้อนอดีตไปคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแน่ค่ะถ้ต้องการยากอยู่ก <cả> ็พูดโทรพูดโทรไปให้จิตจะมาว่างเลยค่ะโยมมีความรู้สึกว่าความว่างที่ที่มันเป็นนะคะมันจะมีเหมือนกับเราค่อยๆตล่อมจิตเราเข้ามาค่ะ พอมันมาคอนเซนเทรตถึงสักที่หนึ่งแล้วมันจะมีกําลังแล้วมันจะทรงอยู่นะคะท่านอาจารย์แล้วเราก็จะรู้อยู่จุดเดียวลอยๆ อ, อยู่สักพักนึ่งะคะ่ะ แ, แล้วแรงมันก็จะหมดพอแรงหมดแล้วก็จะปวดแข่งปวดค้าเกิดความคิดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทําใหม่ก็ลองทําใหม่ตั้รอมเข้าไปใหม่ใช่ไหมคะใหมใหม่ตั้รอมเร<ะ>ื่อยๆค่ะ<ๆ>ถ้าไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนวิธีการลุกขึ้นมาเดินเพื่มาทําอะไรไปแล้วก็มีสติมาการเรียนการกระทาอะไรไปต่อค่ะ โยมมีความรู้สึกว่ยมบังคับบังคับความคิดไม่ได้คือถ้าโยมบังคับนะคะท่านอาจารย์โยมจะเหงื่อแตกโยมโยมลองหลายครั้งแล้วค่ะแต่ถ้าถ้าเราพยายามตะลอ่อมเพรเพราะคิดเผลอคิดแล้วก็รู้แล้วก็ดึงกลับมาเผลอคิดแล้วก็รู้แล้วก็ดึงกลับมาอย่างนี้จะจะไปกว่าค่ะ pues แต่ถ้าบังคับมาเลยวิธีไหนก็ได้ที่จะทําให้มันหยุดคิดได้ก็ใช้ได้ค่ะถ้าแบบเหมือนกับหดร้ายกับมันมากๆเหงื่อมันจะแตกนะคะมันมันจะไม่ชอบแบบ มันไม่ชอบแบบนี้เลยว่าใช้แบบนี้ค่ะก็จะใช้เวลาทำหนึ่งใช้ใช้อทรให้มันเข้ามาและให้มันจานค่คงจะถูกถูกโหลกกแบบนั้นนะคะนะทีไม่ชอบให้เราไปบังคับมันเราต้องรอมหลอกล้อมมันให้เข้ามาค่ะวันนี้ยมไม่มีคําถามมากมายค่ะมีแค่นี้ค่ะท่านพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ การนั่งเขาเข้ามาใหม่นะตามมีใครเลยไหมรู้สึกเวลานานไหมมีคําถามมีคําถามจาก facebook ค่ะโอเคขอให้เป็นสุดท้ายแล้วนะเพราะสองชั่วโมงกว่าแล้วง่วงน้อยแล้วมีทั้งหมดห้าคำถามเจ้าค่ะคําถามแรกจากคุณอุ้ยค่ะเคยฟังพระอาจารย์แนะนําการนั่งสมาธิว่าถ้าเห็นแสงหรือภาพ ก็ให้มองเป็นภาพยนตร์พอลองนั่งใหม่ก็เห็นแสงวาบอีกพยายามไม่สนใจไม่ตื่นเต้นตกใจแบบที่ท่านสอนแต่ใจมันยังเต้นแรงตลอดจึงต้องออกจากสมาธิจะแก้อาการแบบนี้ได้อย่างไรคะก็เวลามันมีอะไรเกิดขึ้นมาให้ท่างพุโทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้แล้วเดี๋ยวอาการแ น, นนี้มันก็จะหายไป คำถาม ต, ต่อไปจากคุณพีรพงศ์กราบเรียนถามพระอาจารย์จิตผมติดพุทโธจิตปัจจุบันจะไม่ค่อยรับรู้เรื่องงานที่ต้องทําเท่าไหร่ถามว่าเราจะแยกอย่างไรดีครับกราบขอพระคุณครับเราก็ต้องใช้สติบางครั้งมันเวลาเราทํางานแล้วก็ต้องให้มีสติอยู่ของงานของเราเวลาที่เราไม่ทํางานเราก็อย่าไปอยู่กับงานหยุดมัน ยังต้องรู้จักวิธีใช้สติถ้า mm hmm. จําเป็นจะต้องทํางานก็ต้องให้รู้เรื่องงานถ้าไม่ต้องทํางานก็อย่าไปคิดถึงเรื่องงานให้ทําจิตให้ว่างคาถามต่อไปจากคุณรัตนาเรียนสมาบัติต่อสมุดจกักสมุดประบาทเรียนอะไรต่อเจ้าคะอ๋อไม่ต้องเรียนอ่ะพวกนี้ไปพุโทโธดีกว่า เป็นยันจมองนั่งสมาธิดีกว่าไปฝึกจิตทำจิตให้สงบดีกว่าของพวกนี้เรียนไปก็เหมือนความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดยังไม่ยังไม่สามารถเอามาใช้ดับความทุกข์่ากิเลสได้ต้องไปฝึกสมาธิให้จิตสงบก่อนแล้วถึงค่อยเอาความรู้เหล่านี้มาใช้ตอไปคำถามต่อไปจากคุณกรณ์มือใหม่ควรเริ่มฝึกปฏิบัติแบบไหนถึงจะได้ผลเร็วที่สุดครับ ก น, น่สวนมนต์ไปสวดมนต์ไปท่องพุทโธไปแล้วที่สุดคำถามสุดท้ายจากคุณเจสณีแม่เพิ่งเสียคะ่ะเป็นมะเร็งปอดแต่ตอนลมหายใจสุดท้ายท่านไปกับพุทโธคะ่ะท่านถอดสายออกซิเจนเองคะ่ะอย่างนี้ไม่ถือว่าท่านฆ่าตัวเองตายใช่ไหมคะแต่แม่ดูมีสติมากคะ่ะขอกลับเรียนสอบถามพระอาจารย์คะ่ะ เราไม่ไม่ได้ฆ่าตัวเองท่านต้องการหยุดการรักษาได้เองไม่ต้องการรักษาต้องการปล่อยให้ร่างกายมันอยู่ตายไปตามธรรมชาติของมันไม่อยากจะยื้อให้มันอยู่ไปเมื่อมันไม่มันไม่ถึงมันถึงเวลาจะไปก็ปล่อยมันไปได้วันมหมดแล้วเจ้าค่ะค่ะก็วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาน่าหยาบอยู่รู้สึกจะเริ่มเ่วงหน่อย น, นะก็คิดว่าขอขอยุติไว้เพียงเท่านี้